ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังการแสดงธรรมโดยพ่อท่านสมณาพลธิรักษ์เรื่องความสวยงามของการเมืองที่มีธรรมะเมื่อวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2549ณนะเวทีเครือข่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่น่าธรรมเนียบรัฐบาล ตอนที่หนึ่งขอเชิญท่านติดตามแลบฟังได้นะบัดนี้ กาเจริญธรรมทุกๆคนการแสดงธรรมครั้งนี้เป็นการแสดงธรรมคงจะเป็นปรากฏการครั้งแรกในโลกที่มีการแสดงธรรมท่ทางกลางการชุมนุมต่อต้านหรือชุมนุมขัดขานสิ่งที่เป็นภาวะการที่มันเกิดใน ประเทศในสังคมมนุษย์เราเนี่ยเป็นสังคมที่จะต้องเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันมีพฤติกรรมต่อกันและกันทั้งกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีซึ่งต่างจากวัตถุวัตถุธรรมดาไอ้ที่เป็นดินหินอะไรต่างๆนาน า, นาน ซึ่งเป็นมหาภูตรูปต่างกันแม้ที่สุดถึงขั้นผีชะถึงขั้นที่เป็นพืชก็ยังสัมพันธ์กันน้อยพืชก็สัมพันธ์กันบ้างมีการผสมพันธ์กันมีการเกี่ยวเนื่องกันบ้างก็น้อยเป็นไปตามพลังงานในระดับชีวะระดับหนึ่ง พี่ชะนี่คือชีวะระดับหนึ่งซึ่งมีพลังงานของมันเองในตัวพีชะนี่มีพลังงานสําเร็จในตัวของมันเองซึ่งเกินกว่าพลังงานระดับอุตุคือพลังงานในระดับที่เป็นเชิงฟิสิกส์เช่นพลังงานความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรนี่เป็นต้นนั่นเป็นพลังงานระดับอุตุแม้จะมีพลังงานมาก ยิ่งใหญ่เช่นพลังงานอยู่ในพระอาทิตย์ซึ่งมีพลังงานทางฟิสิกส์มากมายหลายอย่างจะมากมายอย่างไรก็ยังไม่อยู่ในชื่อว่าพลังงานระดับพีชะคือยังไม่เป็นพลังงานในระดับที่มีชีวิตและชีวิตพลังงานในระดับที่สูงกว่าพีชะก็คือพลังงานในระดับจิต หรือจิตปัญญาเราจะเรียกควบกันก็ได้ว่าจิตหรือจิตปัญญาซึ่งเป็นพลังงานทางชีวะที่สูงกว่าระดับพีชะสูงกว่าระดับพืชพลังงานในระดับจิตที่เป็นชีวะอยู่ในสัตว์โลกเนี่ยสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์ชั้นสูงขึ้นมาจนถึงระดับสัตว์มนุษย์ ก็มีพลังงานที่ชื่อว่าจิตเหมือนกันพลังงานในระดับจิตนี่แหละจะมีตัวสําคัญตัวหนึง่งที่ควบคุมหรือเป็นทุนเป็นเชื้อเป็นพันอยู่ในพลังงานนั้นเรียกโดยภาษาทั่วไปก็ว่าเป็นพลังงานวิบากหรือเป็นพลังงานแห่งกรรม พลังงานแห่งกรรมเนี่ยมนุษย์จะสามารถมีความรู้นมนุษย์ที่มีจิตวิญญาณเนี่ยสามารถจะมีพลังงานทางจิตวิญญาณมีปัญญามีภูมิรู้สามารถจะรู้เรื่องกรรมได้สัตว์ที่เป็นจิตวิญญาณเหมือนกันมีผลของวิบากมีผลของกรรมเหมือนกันแต่ยังไม่สามารถศึกษา เรื่องกมได้กรมเป็นพลังงานสำคัญทั้งในระดับของพลังงานกรรมที่อยู่ในภาวะของพลังงานสักยและพลังงานจลน์พลังงานในระดับ Static หรือว่าดินพลังงานกรผู้ที่มีภูมงปัญยา ก็สามารถที่จะรู้แยกพลังงานเประดับกรรมนี้ออกได้เป็นธรรมะเป็นกุศลธรรมเป็นต้นหรือเป็นอกุศลธรรมอีกเป็นต้นก็สามารถจะแยกออกได้อีกเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงมีการศึกษามีปรามมีผู้รู้ได้ศึกษาจนกระทั่งเป็นปรามตรัสรู้โดยเฉพาะพระสมมาสัพพุทธเจ้าของเรา สามารถตรัสรู้แยกกรรมแยกปีบาที่เป็นกุศลกรรมอกุศลกรรมออกสูงไปกว่านั้นแม้เป็นกุศลธรรมและเป็นอกุศลธรรมก็ตามก็ยังแยกออกไปถึงขั้นเป็นโลกุตระธรรมกับโลกิยธรรมได้อีกนี่เป็นความรู้ในระดับพระสมมาสพรพุทธเจ้า ที่ทรงตรัสรู้เรื่องธรรมะแล้วก็แบ่งธรรมะออกไปได้ถึงขั้นมีโลกุตรธรรมและโลกียะธรรมนะสิ่งที่เป็นธรรมะเป็นกรรมเป็นริบากเนี่ยในศาสนาพุทธที่เป็นศาสนาอเทวนิยมคือเป็นศาสนาที่ไม่ได้นับถืออย่างเทวนิยมเทวนิยมนะั้นนับถือพระเจ้านับถือเทพเจ้า เป็นสูงสุดเป็นพลังงานสูงสุดที่เป็นพลังงานควบคุมพลังงานที่จ ะ, จ, ะจัดการทุกอย่างในมหาจักรวาลนี้เพราะฉะนั้นคนก็เลยต้องเคารพนับถือพลังงานที่อยู่ในจักรพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ควบคุมหรือว่าจัดการอยู่ในมหาจักรวาลนี้นั่นเป็นศาสนาที่เป็นเทวนิยม ก็นับถือพระเจ้ารับถือเทพเจ้านับถือเทพเจ้าหลายองค์ก็มีบางลัติบางลทัทติก็นับถือพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้ น, นพลังงานในความหมายของคําว่าพระเจ้าหรือเทพเจ้านี่ก็คือเป็นพลังงานที่มีอํานาจมีฤทธิ์ในตัวเองจริงๆพลังงานที่มีฤทธิ์มี อำนาจในตัวเองอย่างว่านี้จริงๆแล้วก็เป็นพลังงานจิตดังที่กล่าวไปแล้วในศาสนาพุทธแบ่งพลังงานออกเป็นอุตตุพีชจิตและก็กรรมแล้วก็ธรรมะนี่เป็นธรรมนยามห้าประการในศาสนาพุทธเพราะงั้นในคนที่มีจิตสัต เดรริชานก็มีจิตเตสัตเดรรชานเป็นอะเวไนยสัตเป็นสัตว์ที่เรียนรู้เรื่องกรรมเรื่องวิบากหรือว่าเรื่องธรรมะไม่ได้แม้แต่เป็นคนก็ยังแบ่งออกไปเป็นคนที่เป็นอะเวไนยสัตว์ด้วยคือคนในระดับต่ำที่ไม่มีภูมิปัญญาจะเรียนรู้เรื่องของกรรมเรื่องของธรรมะก็มีเหมือนกัน ผู้ที่จะมีภูมิรู้เรื่องกรรมเรื่องธรรมะแล้วก็เชื่อกรรมเชื่อธรรมะนั้นน่ะเป็นคนมีภูมิสูงในระดับหนึ่งคนในโลกปุตุชนเนี่ยบางคนฉลาดเฉลียวมากฉลาดเรียนรู้เก่งแล้วก็เฉลียวฉลาดในการที่จะใช้ความนึกคิดในโลกีในโลกสามารถที่จะแย่งลา จดสันเสริญโลกียสุขได้มีความเฉลียวฉลาดมีเลขกลมีเชิมชันเอาชนะค้าคารให้คนอื่นจำนวนให้คนอื่นนี่ยอมแพ้จนกระทั่งสามารถได้เปรียบคนฉลาดแบบนั้นก็มีเยอะแยะในโลกเรียนรู้เน่เรียนจบวิชาการศาสตร์ต่างๆจบในระดับปริญญาโทรปริญาเอก บางคนได้ปริยญตเอกหลายแขนงหลายศาสตร์ฉลาดแต่ไม่มีความรู้ในเรื่องกรรมเรื่องบิบากหรือว่าเรื่องธรรมะและไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อวิบากไม่เชื่อธรรมะที่แท้จริงเชื่อเหมือนกันเชื่อธรรมะเนะ่ยเชื่อบดีแต่เชื่ออย่างนั้นแหละเชื่อในภาษาสามัญก็เรียกว่าเชื่อ หรือศรัทธาศรัทธาธรรมะสัธาศรัทธาศาสน า, า, า, า, า, าแต่ศรัทธาหรือว่าเชื่อพื้นๆไม่มีกำลังไม่มีอำนาจในความเชื่อสูงพอสูงพอที่จะปฏิบัติตามทำหรือควบคุมกรรมของตนให้ปฏิบัติเป็นกุศลกรรมกุศลธรรมไม่เชื่อฟัง เพราะฉะนั้นศรัทธาระดับนั้นในศาสนาพุทธก็เรียกว่าเป็นศรัทธาที่ยังไม่มีอินทรีย์หรือยังไม่มีกําลังยังไม่มีอํานาจพระพุทธเจ้าท่านแบ่งศรัทธาเป็นสามอย่างคือศรัทธาสัจฉิศรัทธาภละสามขัน้นศรัทธาธรรมดากระยาที่อัตมาอธิบายไปแล้วคือเป็นศรัทธาสามัญอะทุกคนเชื่ออย่างชาวพุทธเราในประเทศไทย9ก้าส้า เปอร์เซนต์ในประเทศเนี่ยเชื่อาศาสนาพุทธศรัทธาเชื่ อ, อยังมากเลยนะเชื่ อ, อยังเอาเป็นเอาตายเดยะอใครอย่ามาแตะเจนพุทธเนี่ยตายเป็นตายเสียสละชีวิตให้ก็ได้แต่ไม่มีภูมิรู้ไม่มีกําลังของศรัทธานี่สูงอย่างมีปัญญาร่วมในศรัทธานี่ท่านแบ่งเป็นศรัทธามีอินทรีย์ต่างๆ อินทรีย์ของศรัทธาจะประกอบไปด้วยวิริยะประกอบไปด้วยสติประกอบไปด้วยสมาธิประกอบไปด้วยปัญญานะท่านเรียกว่าอินทรีย์ห้าหรือกำลังห้านะเพราะงั้นถ้าูดได้เชื่อมีศรัทธาสามมันเท่านั้นไม่มีอินทรีย์เลยก็เชื่ออย่างทั่วไปอย่างที่กล่าวแล้วเชื่อเชื่องมงายด้วยเชื่ อ, อยังแรงด้วยเชื่ อ, อยังปักมั่นด้วย แต่ไม่มีวิริยะในการปฏิบัติให้เข้าใจให้มีภูมิธรรมทางธรรมหรือในทางพุทธธรรมเสริมขึ้นไม่มีวิริยะไม่มีความภาคเพียงจะเอาจะปฏิบัติให้มันเกิดผลผลทางธรรมให้มันจเจริญธรรมนะเพราะฉะนั้นคนที่มีศรัทธาอย่างนี้นี่มีเยอะศรัทธาเฉยๆแค่นั้นนะปักมั่นไว้แค่นั้นนะแต่ไม่มีวิริยะจะปฏิบัติตา ม, ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเรียกว่าไม่มีอินทรีย์เรียกว่าไม่มีสัจตินทรีย์คือไม่มีอัตมาแปรสัจตินทรีย์ว่าเชื่อฟังเชื่อคือสัทธาเชื่อถือหรือเชื่อเฉยเฉยเชื่อฟังคือสัตตินทรีย์เชื่อที่มีกำลังในการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจา้าคนที่เชื่อฟังนี่ปฏิบัติตามนะใช่ไหมคนที่เชื่อฟังนี่จะปฏิบัติตามส่วนสัทธาภละ ในระดับสุดนั่นเรียกว่าเป็นผลเป็นผลของความเชื่อที่ได้ปฏิบัติอย่างวิริยะอย่างมีสติอย่างสั่งสมผลที่เป็นผลเจริญตั้งมั่นขึ้นมาในจิตเรียกว่าสมาธิประกอบปไปด้วยปัญญามีปัญญาปัญญินีจนกระทั่งถึงปัญญาพละหรือปัญญาผลเป็นตัวตัดสินเป็นตัวจบเป็นตัวรู้รอบรู้ท่วนรู้ครบรู้สมบูรณ์ เรียว่าปัญญามีทั้งศรัทธาศตินรีศรัทธาพละมีทั้งปัญญาปัญญินรีปัญญาพละวิริยะก็เหมือนกันมีวิริยะวิริญรีวิรยิรยะพละสติสติสนรีสติพละมีทั้งสมาธิสมาธินสีสมาธิพล ะ, น, ะนี่เป็นอินรีห้าพละห้หอย่างในโพธิ ป, ปัจจัยธรรมสามสเจ ซึ่โพธิปักกียธรรมสาบเจของพระพุทธเจ้านี้เป็นหลักนิเสธเป็นหลักใหญ่ที่พระสมมาเส พ, พุระเจ้าตรัสรู้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดโพธิปักเกียธรรมสาสบเจ็ดนี้ก็ไม่เกิดเพราะในโพธิปักเกียธรรมสาบเจ็ดนี้มีสติปัฏฐานสี่สมปัฏฐานสี่ อิทิบาตสแล้วก็อินสีห้าพละหและโพธชงเจดมัก8ถ้าพระพุทธเจ้าไม่เกิดโพธชงเจดก็ไม่เกิดในโลกหรือมักองแปดก็ไม่เกิดในโลกพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกจึงมีความรู้ในทิษสนีโพธิโพธิปักเกียธรรมหรือโพธชงเจ็ มักองแปดซึ่งเป็นทางปฏิบัติไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดสูงที่สุดในชีวิตของความเป็นมนุษย์นะพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้สิ่งเหล่านี้แล้วก็เอามาประกาศจนมาถึงวันนี้ 4,500 กว่าปีแล้วถ้าบวกตั้งแต่วันตรัสรู้ก็ต้องบวกเข้าไปอีก45สบปีพศสองรก็บวกเข้าไปอีก45ปี พระพุทธจตรัสรู้แล้วก็ส่งประกาศศาสนาอยู่สีิบหปีญญพระพุทธเจ้าปริยพ่านแล้วเราถึงนับศาสนาพุทธเป็นพศหนึง่งมาถึงวันนี้ศาสนาพุทธได้เสื่อมจากค่าแห่งพุทธธรรมไปเยอะมีคุณค่าทางพุทธธรรมที่เป็นความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะไปในทางโล ก, กุตรธรรม หรือเป็นอริยธรรมเป็นธรรมะอันเจริญอันประเสริฐกลายเป็นธรรมะพื้นพื้นเป็นธรรมะในกาลยานธรรมเท่านั้นคือ เ, เ, เป็นธรรมะที่ดีส่วนนี้ก็มีด้วยของศาสนาพุทธเหมือนทุกๆุกศาสนาในเรื่องปฏิบัติดีละชั่วเนี่ยมีเหมือนกันทุกศาสนาแต่ความรู้เจ้ า, จานี้ตรัดสรู้เรื่องโลกุตรธรรมซึ่งเป็นธรรมะที่ เหนือโลกหรือเหนือสามัญเป็นธรรมะที่ไม่ไม่เป็นปกติสามัญของลกโล ก, โลกนะคือไม่ใช่สามัญที่ทั่วไปที่เป็นโลกียะธรรมดาในระดับมุนเดนภาษาอังกฤษเรีเกว่ามุนเดนอันนี้เป็นซุปรามุนเดนนะเป็นธรรมะที่ในระดับเหนือชั้นของสามัญขึ้นไปอีกทีนึง ที่ว่าเหนือชั้นสามันนี่ก็เพราะว่าเป็นธรรมะที่เหนือจิตใจนี่ได้ล้างกิเลสออกอย่างจริงจังในโลกสามัญ น, นี่ทุกคนเนี่ยจะสแสวงหาความสุขเป็นโลกธรรมสแสวงหาล่ายศสันเสริญโลกียสุขสามัญทุกคนแหละพอได้สมใจในล่าก่อเป็นสุขแต่สนใจในยศยศถาบรรดาศักดิ์ก็เป็นสุข ได้สมใจในสรรเสริญยกย่องชมเชยก็เป็นสุขได้เสพกามก็เป็นสุขหรือได้เสพสมใจที่เราสมในภวะตัณหาเป็นอัตตะทัตตะสุขเป็นสุขที่บำเรออัตตาก็เป็นสุขก็เป็นอย่างนี้เรียกว่าโลกิยะหรือบันเดรนสามัญโลกิยะวิสัยสามัญ เขาก็เป็นยงนี้ทั่วโลกมนุษย์ปุถุชนทุกคนแม้จะเป็นกัลยาณนะชนก็อยู่ไม่พ้นจากโลกียธรรมแบบนี้เราเรียกว่าโลกธรรมแปถ้าไม่สมใจก็ทุกข์ไม่ได้ลากสมใจไม่ได้ยศสมใจไม่ได้สรนเริญสมใจได้รับการนินทาว่าร้ายก็เป็นทุกข์ไม่ได้เสพกรรมสมใจก็เป็นทุกข์ไม่ได้เสพอะไรก็แล้วแต่ที่ตัวเอง ตั้งเป้าขึ้นมาในใจเรียกว่าสมใจตัวเองบำเรอใจตัวเองซึ่งเป็นรูปตกลพบ ร, รูปตพบต่างๆเมื่อไม่ได้สมใจก็ทุกข์ก็เท่านั้นเองในโลกนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เรื่องโลกียะนะเรื่องโลกก็ทำแปรนชัดเจนและท่านก็มีทางปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากโลกียะนี่อย่างชัดเจน เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตปิญญาสามารถพิสูจน์ได้เป็นอาการิโกหรือเป็นเอหิปัสสิโกหรือเป็นสันติติโกสันติติโกหมายความว่าทุกคนมาปฏิบัติเองได้มาปฏิบัติพิสูจน์เถอะมาได้ทุกคนมีสิทธิมาปฏิบัติได้ล้วสันติติโกปฏิบัติได้ด้วยตนออาการิโกหมายความว่า ไม่จำกัดเวลายุคไหนก็ปฏิบัติได้ยุคนี้ก็ปฏิบัติได้เป็นอริยะบุคคลหรือมีธรรมะขั้นโลกุจาระได้ท่านตรัสไว้ชัดๆตราบใดที่โลกยังมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหมายความว่าปฏิบัติถูกต้องตามธรรมที่พระเจ้าท่านทรงสอนไว้อย่างเป็นสมาธิโลกนั้นไม่ว่างจากพระอระหันต์ท่านตรัสไว้อย่างนี้จริง นะผู้รู้ที่เรียนรู้อยู่นี่ฟังอาตมาไม่ได้พูดนอกรีดหรอกแต่คนเขาใส่ความว่าอาตมานอกรีดนะอาตมาเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเขาจะว่าก็เป็นความเข้าใจของเขาเราก็เข้าใจนะและเป็นเอหิปัสสิโกอยู่ในสวากขาตธรรมนะที่พุดที่สวดกันอยู่ว่าสวากขาโตสันติติโกอัคาลิโกเอหิปัสสิโกอะไรพวกเนี้ย ที่สวดกันอยู่โอปัยโกนะเอหิปสิโกหมายความว่าถ้าแปลให้ชัดๆก็คือท้าทายให้มาพิสูจน์ได้เป็นมิทยายศาสต์ผู้ได้แล้วเนี่ยผู้ดได้เองแล้วนี่มีในตนเองเนี่ยเชิญเชื้อเชิญให้มาดูได้เชื้อเชิญให้มาพิสูจน์ได้ไม่ว่ายุคไหนการไหนนี่เป็นคำยืนยัน ที่พระบตุตรจ่าท่านทรงยืนยันไวนะ้เพราะฉะนั้นเกิดมาเป็นคนเนี่ยโดยเฉพาะเราเป็นพุทธศาสนิกช น, นถ้าเพราะว่าเกิดมาในชาติหนึ่งชาติหนึ่งแล้วไม่ได้บรรลุทำเป็นอาริยะซึ่งเป็นเนื้อแท้ของศาสนาพุทธอาริยะบุคคลหรือโลกโลกุตระซึ่งเป็นเนื้อแท้ที่ศาสนาพุทธเป็นอักเทวะนิยม ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้โดยพระองค์เองไม่เหมือนกับศาสนาใดๆพระพุทธเจ้ารู้จักศาสนาที่เป็นเทวนิยมดีเพราะว่าพระองค์ได้เกิดมาไม่รู้กี่ชาติตับกี่ชาตินับชาติไม่ท้วนเพื่อศึกษาศึกษาพุทธศาสน า, าหรือศึกษาธรรมะเนี่เพราะธรรมะในระดับเทวนิยมหรือธรรมะที่มีเป็นพื้นนของโลกที่มีประจาโลกเรียกว่าธรรมะระดับสามัญ ระดับมุนเดนอย่างที่ว่าเนี่ยพยระพุทธเจ้าศึกษามาไม่รู้กี่ชาติตอกี่ชาติกว่าจะได้ตรัสรู้โลกุตรธรรมที่เป็นสุปรามุนเดนเนี่ยพยระพุทธเจ้าศึกษามานานนับชาติไปทวนนับชาติไปทวนจนกระทั่งสุดท้ายสรุปผลแล้วว่าพระพุทธเจ้าท่านกว่าจะประกาศว่าตนเองเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านจบสุดยอดท้าทายได้ว่า คนที่จะมารู้อย่างที่พระองค์รู้เนี่ยจะ บ, บังเกิดขึ้นมาในโลกในยุคใดยุคหนึ่งเนี่ยจะมีสององค์พร้อมกันที่มีความรู้เท่าเทียมพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ตรัสไว้ชัดเลยว่าอัฐานะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ไม่มีความเป็นไปได้อักฐานะ ไม่มีฐานะแห่งโลกที่จะมีพระพุทธเจ้าสององค์หรือผู้ที่รู้ยอดเท่าเท่ากันสององค์เกิดมาในยุคเดียวกันหรือในระยะเวลาใกล้ๆเคียงกันไม่มีเพราะพุทธเจ้านั้นเมื่อท่านตรัสรู้สิ่งที่เป็นสัธจธรรมได้แล้วท่านก็บังเพ็นขึ้นไปเป็นโพธิสัตว์เป็นโพธิสัตว์สูงขึ้นไปตามลาดับ เป็นอนุโพธิสัตว์เป็นอนิยตโพธิสัตว์เป็นนิยตโพธิสัตว์เป็นมหาโพธิสัตว์จนบรรลุปเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้เวลานานมากจนสามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดเป็นคนเนี่ยจะสูงสุดยอดสุดแห่งความเป็นคนเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรพระองค์ก็ตามใช้ชีวิตของพระองค์นี่เกิดแล้วเกิดเล่าพิสูจน์เกิดมาเป็นมนุษ คนเราจะสามารถเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ได้อย่างมีหลักประกันเวียนไหวตายเกิดเนี่ยแล้วจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกในชาติหน้าพระพุทธเจ้าจัดเอาไว้ว่าต้องมีหลักประกันต้องปิดอบายก็คือต้องเป็นโสดามันเป็นขั้นต่ำปิดและนรกไม่ไปเกิดในนรกหรือในอบายภูมิสี่อีกแล้วนะ เพราะงั้นผู้ที่บรรลุธรรมขั้นโสดาบันก็จะมีภูมิธรรม8ประการหนึ่งปิดอบายยภูมิ4ทั้ง4เลยทั้งในนรกปิดนรกเรือนิรยภูมิทั้งในปิดติวิสัยในเปรตในเดรฉ า, านในนรกที่ต่ําที่สุดสนรกเนี่ยสภูมิปิดไม่ตกอีกแล้วมีหลักประกันและก็มีคุณธรรมอีก4ประการรวมเป็น8 คือมีโสตาปัญนะมีอวินิปาตธรรมมีนิยตและสัมโพธิปรายนะหมายความว่ามีจิตวิญญาณเนี่ยมีภูมิธรรมมีอินทรพละอย่างที่อตาตมาอธิบายไปแล้วมีอินทร์เข้ากระแสจิตวิญญาณตกเข้าสู่กระแสอริยะคือสามารถที่จะรู้จักอบายภูมิ จิตมีกิเลสในลักษณะอบายอย่างไรมียานปัญญารู้ตัวเองแล้วก็มีทางปฏิบัติล้างกิเลสออกได้จนขีดนึงขีดนั้นเรียกว่าเครกระแสะสองเอาเวนิปาตะทำไม้คำว่าไม่ตกต่าไปกว่านั้นอีกแล้วเป็นหลักประกันเอาเวนิปาตะทำไม้คำว่าเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาอาจจะยึกยักนิดหน่อยแต่ไม่ต่ากว่า ไม่ออกนอกกรอบไม่หลุดต่ำลงไปสู่อบายภูมิอีกนี้เป็นหลักประกันของจิตอิน ญ, ญาณจะไม่ไปสุขไปทุกข์อยู่กับเรื่องของอบายามุกเช่นจะต้องไปกินเหล้าเป็นสุขจะไปเล่นไพ่เป็นสุขจะไปในมหโหระทศเริ ง, ร ง, รงที่มันไม่เข้าเรื่องเข้าราวอะไรเป็นสุขไม่นี่จิตเป็นกลางเรียกว่าอุเบกขา อุเบกขานี่จิเป็นกลางและจิตเฉยเฉยจิตไม่สุขไม่ทุกเรียกอีกศัพท์หนึ่งว่าอัตุกขมสุขไม่สุขไม่ทุกแล้วจิตเป็นเช่นนั้นจริงๆผู้ที่มาปฏิบัติธรรมแล้วจะอ่านใจตัวเองออกตัวเองเป็นทุกข์เพราะว่าเราอยากเสพอบายามุกอยากกินเหล้าอยากจะไปเล่นไพ่อยากจะไปเที่ยวกลางคืนอยากจะคบมิตรชั่วซึ่งเป็นอบายามุก อบา ย, ยมุกหอบา ย, ยมุกสี่อะไรบุญเจ้าตัดไปอบายยมุกสิบยีบก็มีความเสื่อมเนยี่สิประการก็มีเมื่อเรียนรู้อบา ย, ยุยเรื่องต่ตตตตําๆพวกนี้ได้แล้วแล้วก็รู้ว่าพฤติกรรมของเราหรือว่าจิตใจของเรายังมีความเสพติดยังสุขยังทุกข์อยู่กับไอโลกอย่างนั้นน่ะไอ้โลกต่าๆขั้นนั้นน่ะพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วแล้วก็มาสอนคนให้พิสูจน์ชาวอสูรเราขออภัยที่ต้อง ยกอ้างชาวอโศกมาประกอบการพูดขอเอภัยอย่างมากเลยอย่านึกว่าอาตมาอวดตัวอวดตนหกอววอวดอ้างตัวเองอะไรเลยชาวอโศกที่อาตมาเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาให้ปฏิบัติกันอาตมาทำงานศาสนามาแค่30กว่าปี35ปี36ปียังไม่ถึง40ปีดีเพราะอาตมาออมาบวชตอนหนุ่มใหญ่แล้วอายุตัง 35, ม้าสาแล้วค่อยออกมาบวช แล้วก็ทำงานมาตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้ก็ส5 3 6้าปีละคนที่ได้เรียนรู้ธรรมะที่อัตมาบรรยายว่าศาสนาพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้แล้วก็เอาไปปฏิบัติกันจนกระทั่งเกิดเป็นกลุ่มหมู่ชาวอาโศกเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านเลยอย่างหมู่บ้านราชธานีอโศกหมู่บ้านศรีสะอโศกซึ่งหมู่บ้านราชธานีอโศกนีก็เพิ่งเกิดมาได้สิบปี แล้เกิดมาได้สิบปีเองเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านเลยเป็นหมู่บ้านทางรัฐเลยนะเป็นหมู่บ้านหมู่ที่สิบตำบลบุ่งใหม่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเป็นหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านมีอบตอมีผู้ชํานาญอะไรของเขาเขามีตําแหน่งหน้าที่ทำมหาไทยเขามีเป็นหมู่บ้านที่อาตมาขออภัยอีกครั้งหนึ่งถ้าจะ พูดความจริงอะนะจะจะหาว่าอวดตัวอวดตนอะไรก็ต้องขออภัยอย่างมากเลยคือหมู่บ้านราชธานีอโศกนี่เป็นต้นฤศีสศาอาโศกหรือว่าสันติอโศกปฐมโศกอะไรก็แล้วแต่หมู่บ้านชุมชนของชาวโศกที่มีอยู่ทั่วไปในประเทศไทยขณะนี้เนี่ยในหมู่บ้านของเราในหมู่บ้านนี้เนี่ยไม่มีอบายยมุกเลยยาบ้องยาบ้าไม่ต้องไปพูดเลยไม่มีอาบุธไม่มีอบายยมุกทั้งหมู่บ้าน ของเมาเครื่องเมาสิ่งเสพติดเล่าขวดหนึ่งก็ไม่มีคนสูบบุหรี่มวนหนึ่งก็ไม่มีในหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านอันนี้ไม่ใช่อวดเล่นเป็นเรื่องจริงก็เอฮิปเซิโกเชื้อเชิญให้ไปดูได้เชื้อเชิญให้ไป ด, ดูได้จริงๆท้าหมู่บ้านทุกคนมีศีลอย่างน้อยศีลหา้าหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านไม่มีใครฆ่าสัตว์ฆ่ามากินก็ไม่มี ค่าเพราะเขาไปกินเนื้อสัตว์กันทั้งหมู่บ้านเป็นมังสวิรัติกันทั้งหมู่บ้านไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดพวเขาเมียใครไม่พูดปดไม่เมาไม่ดื่มน้ําเมา อ, อย่าว่าจะน้ําเมาที่เป็นน้ําเมาเบียสุราอะไรเลยแม้แต่น้ําเมาน้ําที่มันมีธาตุอะไรนิโคตินมีธาตุคาเฟอีนมีธาตุอะไรพวกเนี้ย อย่างถือก็คล้ายๆเป็นขวดกันอยู่ยนี้ร่ารวยกันเป็นรวยติดอันดับโลกอยู่เดี๋ยวนี้เยอะแยะหลายอย่างหลายเจ้าก็ไม่มีเที่ยวกันคืนไม่เที่ยวคบมิดชั่วไม่เอามอหระศพที่มันจัดจ้านวุ่นวายอยู่ในโลกนี่มอมเมากันหนักปรุงแต่งกันมามอมเมากันเต็มสังคมพวกเราก็จิตชืดชืดไม่กระตือรือร้นยกตัว อ, อย่างง่ายๆอย่า ง, า ง, างว่าเขาจะแหมน ซุปเปอร์สตาร์เรนมาเปิดคอนเสิร uh, ์ตที่เมืองไทยชาวโสมไม่มีใครไปเสียสตังค์เลยสักบาทไปซื้อตัว๋วไปดูเรนอย่างนี้เป็นต้น uh, หรื อ, อยิ่งจะไปดูคอนเสิร์ตของทาทธยังชาวโสมไม่มีเข้าใจแล้วว่านำเงินเฟอ้อแล้วมันเกินแล้วมันจัดจ้านไปแล้วมันไม่ใช่ธรรมะมันเป็นมหรสพเป็นอนาจาร มันไม่ใช่สิ่งที่เป็นศิลปะศิลปะเป็นมงคลอันอุดมในการละเล่นก็มีศิลปะในการพูดในการร้องในการรำมีศิลปะแต่ศิลปะนั้นคือสื่อที่เกิดประโยชน์เป็นมงคลอันอุดมไม่ใช่สื่อที่เกิดให้กิเลสเกิเโกดโดยเฉพาะกิเลสกามหรือกิเลสที่ไปสายโทสะก็ตามการตัดสินอะไรเป็นศิลปะก็เป็นอนาจารนั้น อาตมาขอยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมง่ายๆเช่ น, นคนจะเขียนรูปเปลือยผู้หญิงเนี่ยถ้าศิลปินเขียนรูปเปลือยของผู้หญิงแล้วคนสัมผัสแล้วกามลดนั่นคือภาพศิลปะถ้าผู้ใดเขียนรูปเปลือยแล้วคนดูคนสัมผัสแล้วกิเลสกามเกิดนั่นคือภาพอนาจาร ฟังดีๆตัดสินง่ายๆถ้ากิเลสมันเกิดมันจะไปเป็นความเจริญได้อย่างไรแต่ถ้ามันลดกิเลสได้นั่นแหละคือศิลปะที่พระพุทธเจ้าตัดเอาไว้ว่าเป็นมงคลอันอุดม น, นี่ก็ยกตัวอย่างให้ฟังเอาละอาตมาไม่เจตนาจะมาขยายความเรื่องศิลปะในวันนีน้ก็ขอพูดถึงส่วน ร, มรวมๆที่มันเข้ายุคเข้าสมัยบ้างว่า สังคมไทยทุกวันนี้ก็ตามเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นศ า, าสนาพุทธเป็นเมืองพุทธที่เรียกร้องอยากจะให้ตราไว้ในรัฐธรรมนูญว่าประเทศไทยเป็นเมืองพุทธเส่ออาตมาไม่ขัดข้องหรอกนอกจากว่ามันจะดูแคบไปไหมไปกำหนดเอาแต่ว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธเหมือนรังเกียจศาสนาอื่นเสื่ออาตมาว่าศาสนาอื่นก็อยู่ร่วมกันได้ ต่างคนต่างยึดถือเหมือนพุทธเองเนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วก็ตั้งทฤษฎีนาน า, นาสังวาสไวเ้เียมันช่วยไม่ได้เราคนเราจะมีความคิดที่แตกต่างกันยึดถือต่างกั น, นาศาสนาพุทธนี่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ตั้งแต่สมัย2 5 0พกปีเนี่ยยังไม่เข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนนะเพราะสังคมสมัยน้นเป็นสังคมทาส สังคมที่ปกครองโดยสมบูรณาญาสิทธิราชไม่มีความรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชนคนที่เป็นทาสไม่รู้ตัวเองเลยว่าเป็นคนมีสิทธิอะไรไม่รู้สิทธิในวัตถุสิทธิในการแสดงออกสิทธิในทรัพย์สินสิทธิในการสิทธิมนุษยชนที่เดี๋ยวนี้มีมากมายศึกษาเรื่องสิทธิกันเต็มที่และก็เป็นอิสระเสรีภาพมีสิทธิที่จะแสดงสิทธิอัน ยุติธรรมรือสุดจริตนั้นได้สมัยโน้นยังไม่มีแต่พระพุทธเจ้าในสุดยอดแห่งปราชญาท่านตั้งหลักนาน า, นาสัางวาสไว้นี่นิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์น่าจะมาศึกษาให้ดีๆ น, นานาสัางวาสหมายความว่าอะไรน า, นานาสัางวาตหมายความว่าอยู่รวมกันได้อย่างดีเป็นเอกภาพไม่ทะเลาะวิวาทกันแต่ยึดถือตา่าง แต่ใช้ภาษาอังกฤษก็ถูใช้ว่า unity of diversity หมายความว่าเป็นเอกภาพแต่มีความแตกต่างกันอยู่ด้วยกันได้พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ตรานานาสังว่าที่เอาไว้แล้วมันเป็นทางออกสุดท้ายที่จะต้องให้สิทธิแก่คนคนเข้ายึดแล้วเขายึดถืออย่างนั้นจริงๆแล้วก็ต้องให้เขาอีกฝ่ายหนึ่งเข้ายึดถืออีกฝาหนึง่งก็ต้องให้เขา เขาเชื่ออย่างนั้นจริงๆเป็นสุดจริตใจของเขาเขาเชื่อว่าดีหรือเขาเชื่อว่าเขาชอบอ่ะแต่เรารวมกันอยู่ได้เราอยู่กันร่วมกันอย่าทะเลาะกันอย่าตีกันมีอะไรก็เข้าใจว่าอันนั้นเป็นของเขาเขายึดก็เรื่องของเขาอันนี้เรายึดก็เรื่องของเราอย่าไปตู่ท่วงกันอย่าไปฟ้องร้องกันถ้ามีหลักเกณฑ์ไว้เยอะหลักเกณฑ์ปฏิโกศนาหลักเกณฑ์ทิฏฐาวิกรรม ตเหลักเกณฑ์ยามาอธิกรณ์กันอะไรพวกนี้เช่นว่าเหมือนเป็นนานาสังวาสกันแล้วฝ่ายนึงก็อยู่ฝ่ายหนึ่งไปฝ่ายนึงก็อยู่อีกฝ่ายหนึ่งอย่างอัตมายกตัวอย่างง่ายๆซึ่งมันเกิดแล้วอัตมาแยกออกมาจากเทระสมาคมแล้วนี่เป็นต้นคนละฝ่ายอัตมาแยกออกตามหลักธรรมวินัยนานาสังวาสเมื่อแยกกันออกมาสําเร็จแล้วเป็นนานาสังวาสแล้วก็ต่างคนต่างปฏิบัติตามความเชื่อของตนอันไม่ทําให้ประชาชนเดือดร้อน ก็ทำไปกฎหมายมีควบคุมอยู่แล้วถ้าใครผิดกฎหมายก็ถูกจับเองแล้วอย่าไปทวงกันอย่าไปตั้งข้อหากันผู้แทรศสมาคมจะมาตั้งข้อหาอาตมานี่ไม่ได้เพราะผู้พทธเจ้ท่านปรับอาบัติอาตมาไปตั้งข้อหาเสรสมาคมก็ไม่ได้เพราะเป็นนานาสัมาษณกันแล้วอาบัติอาตมาไปทวงไปต่อตั้งข้อหาอาตมาอาบัติต้องปรงอาบัติทางเทรสมาคมมา ตั้งข้อหาอาตมาเทราสมาคมก็าอาบัตนี่เป็นธรรมวินัยของพระ เ, เจ้านหรือท่านให้ทวงกันขัดแย้งกันสแสดงความจริงกันอกมาโต้ต้านกันบ้างได้ท่านเรียกว่าโต้ต้านได้ในกรอบของปฏิโกสนาหมายก็ว่าโต้ต้านกันได้อย่าโต้ต้านกันจนกระทั่งเกิดความโกรธเกดิกดความทะเลาะวิวา โต้ต้านกันได้แสดงความจริงยืนยันความจริงกันออกมาต่างคนต่างมีความจริงอย่างไรความรู้อย่างไรอธิบายกันออกมาแต่ระมัดระวังให้มีสปุริสธรรมรู้จักอัตถะรู้จักธรรมารู้จักประมาณรู้จักกาละรู้จักหมู่กลุ่มรู้จักบุกคคลที่จะต้องจัดสรรให้เหมาะได้ในระดับทิฏฐาวิกรรมคือแสดงออกมาอยู่ในสภาพยืนหยัดยืนยันได้จะท้วงกันจะ ทานแยงกันยังไรก็ได้อยู่ในประมาณหนึ่งอย่าให้เกิดความไม่สงบความรุนแรงหรือการทะเลาะวิวาทกันนั่นคือหลักเกณฑ์ที่พุทธเจ้า ต, ตรัสไว้ทีนี้มาพูดถึงสังคมยุคนี้สังคมปัจจุบันขณะนี้กำลังเกิดเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดนาน า, นาสังวาสหรือมันเกิดแยกสองฝ่ายแล้วจริงยึดถืออย่างจริง ยังคุณทักษิณขออาัยที่ต้องออกน า, นายกรัฐมนตรีก็ยึดอย่างของท่านประชาชนที่มาต้านอย่างทุกวันนี้เป็นประชาชนที่ชัดเจนแล้วเป็นกลุ่มพันธมิตรที่ทเกิดขึ้นเนี่ยเป็นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยก็เกิดยึดกันคนละอย่างเชื่อจริงๆเลยมันเกิดแบ่งส่วนเป็นสองฝ่ายแล้วจริง ภาษาอังกฤษก็ว่ามันเกิดไบโพล่ามันเกิดแล้วมันแยกแยกขั้วแล้วแยกฝ่ายแล้วเพราะงันเราก็จะต้องเลือกฝ่ายแล้วใครจะเทคข้างไหนก็เทคกันต้องเลือกฝ่ายแล้วมันเกิดแล้วกราวนี้เพราะฉะนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องเลือกฝ่ายเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เกิดความสงบความจก นี่มันเกิดปฏิกิริยากันมันเกิดการต้านกันมันเกิดการจะว่าต่อสู้ก็ต่อสู้กันอยู่ซึ่งมันไม่สงบการต่อสู้นี้ถึงแม้จะไม่รุนแรงอาตมาดีใจมากที่ว่าการต่อต้านกันขนาดนี้เป็นการต่อสู้กันในระดับประเทศในระดับที่จะขอให้ผู้บริหารประเทศนี่จงลงจากตําแหน่งจงหยุดบริหารจงลาออกอะไรเนี่ย หรือแม้ใช้คำมาออกไปออกไปก็ตามมันมันสู้กันอยู่จริงๆยังไม่จบเพราะฉะนั้นถ้าจะให้จบต้องมีการเลือกฝ่ายยิ่งเป็นประชาธิปไตยยิ่งจะต้องแสดงฝ่ายผู้ใดไม่เลือกฝ่ายใดเลยนั้นก็มีอยู่สองอย่างง่ายหนึง่งไม่รู้ว่าฝ่ายไหนถูกฝ่ายไหนผิดฝ่ายไหนดีแท้ฝ่ายไหนไม่ดีแท้ แยกไม่ออกอก็เป็นจริงคนอย่างนั้นเรียกว่าคนไม่รู้ยังแยกไม่ได้อีกฝ่ายหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็คือรู้ว่าฝ่ายไหนถูกฝ่ายไหนผิดรู้แต่ไม่กล้าแสดงออกคนนี้ไม่ใช่คนไม่รู้แต่เป็นคนขี่กลัวมีพยาคติมีพยาคติขี้กลัว มีพยาครณไม่กล้าที่จะแสดงออกรู้นะว่าอะไรดีฝ่ายไหนดีฝ่ายไหนถูกตัดสินได้แล้วซึ่งอาตมาไม่ได้บอกนะฝ่ายไหนดีฝ่ายไหนถูกฝ่ายไหนผิดอาตมาไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกว่าไมไ่ไปพูดตัดสินแต่ที่อาตมามาช่วยฝ่ายพันธมิตรอาตมามาช่วยฝ่ายพันธมิตรฝ่ายพันธมิตรประชาชนเพือพ่อประชาธิปไตยนี้เพราะตัวภูมิธรรมมาเอง อาตมาใช้ภูมิปัญญาเขาอาตมาเองอาตมาเห็นว่ามาช่วยทางนี้เถอะเจตนาที่จะมาช่วยนี่ก็เพราะว่าฝ่ายนี้เนี่ยได้ปฏิบัติการมาแล้วถึง15หครั้งคือคุณสนธิเป็นคนจุดชนวนขึ้นมาตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งที่ธรรมศาสตร์ห้องประชุมเล็กไล่มาเรื่อยจนกระทั่งถึงขั้นสัญจร สัญจรไปจัดเมืองไทยรายสปราห์นี้ตอนนไปถึงสวนลุมออกมาถึงถนนราชดำเนินออกมาถึงที่นี่ถึง15หครั้งเกิดการประท้วงกันขึ้นแล้วเกิดการขัดค้านขัดแย้งกันแล้วสแสดงออกมาชัดเจนอันตมาก็เห็นว่าโอ้โหการขัดแย้งกันในทางการเมืองมันเป็นประเด็นการเมืองขึ้นมาแล้ว เพราะว่ามันต้องการที่จะต่อว่าผู้บริหารประเทศโดยเฉพาะในระดับนา ย, ยกรัฐมนตรีมันเป็นปนัญหาการเมืองขึ้นมาแล้วมันก็เป็นเรื่องของการเมืองแต่การเมืองในระดับมีประท้วงมีคัดค้านกันอย่างนี้มีชุมชนมีคณะขึ้นมาโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้ น, นอย่างที่เป็นเนี่ยถึงสิบห้าครั้งในอาตมาเห็นมาโอ้โหประท้วงกันมาตั้ง15ครั้ง ส ง, งบสันติได้อหิงสาได้มาตลอดสิบห้าครั้งอาตมาว่าเป็นความสวยงามของประชาธิปไตยเมืองไทยเหลือเกินมันงดงามอะไรฉปานชนนี้อาตมาก็เห็นว่าอันนี้นี่ยอดเยี่ยมอาตมาเองอยู่ในฝ่ายธรรมรักสันติรักอหิงสาและเราเชื่อมั่นว่าพวกเรานี่สามารถที่จะยืนห ย, ยัดอยู่ในด้านสันติธรรม ในด้านอเหิงสาทําได้ดีมากเราว่าเราเชื่อว่าเรามีอัตมา ก, ก็พามวลปรึกษาฮารือมวลหมู่แล้วว่าจะทําอย่างงี้แล้วนะมวหมู่มวลพร้อมท่านคุณจําลองด้วยก็บอกเอา้าครั้งสุดท้ายวันที่ส1กุมภาพันธ์ครั้งที่สิบห้มากันเดินมาจนถึงพระรูมาประท้วงกันจนถึงพรารูครั้งที่สิวันที่สิบเอกุมภาพันธ์ครั้งที่สิบห้ พอวันที่ส2บกุมภาพันธ์ถึงวันที่สิบกุมภาพันธ์นพวกเราชาวอโศกนี่ไปจัดพุท ธ, ธาพิเศกพระแท้พุท ธ, ธาพิเศกสุดยอดปาฏิหารอยู่ที่ไผ่สาลีอยู่อําเภอไผ่สาลีที่พุทธสถานสาลีอโศหรือชุมชนสาลีอโศเป็นเป็นเป็นจารีตประเพณีของพวกเราเป็นการไปอบรมธทำกันปฏิบัติทมกันเจ็ดวัน พอวันที่12ถึงวันที่18บแปเราอบรมทากันเสร็จปรึกษาห้าหรือกันแล้วคุณจำลองด้วยใครตะใครด้วยพวกเราที่เป็นผู้ทช่วยกันคิดทั้งสาสมาชิกพันสองพันคนที่ไปชุมนุมกันตอนนั้นก็ตัดสินกันว่าเอาระตกลงเราจะมาร่วมกับทางพรรคทางมูพันธมิตรเนี่ยคุณจำลองก็เลยออกแถลงการในวันที่19ว่าเราจะมาช่วยทางนี้ ช่วยอะไรก็ขอย้าอีกช่วยพื้นที่จะเป็นน้ําเย็นสักหยดหนึ่งที่จะมาช่วยหมูนน่มวลนี้นี่ในประเทศไทยขณะนี้เกิดปฏิกิริยาอันนี้ขึ้นแล้วเราจะมาช่วยเป็นน้ําเย็นให้เย็นขึ้นไปได้จนสําเร็จเขาเย็นมาแล้วตั้งสิบห้าครั้งเพราะงั้นครั้งที่16ที่จะนัดกันไว้26่สิบเจอ ก, กันที่สวนไอสนามหลวงวันที่ยี่สบกุมภาใช่ไหม เราก็เลยเริ่มต้นเลยจะร่วมกันวันนั้นแหละเริ่มต้นเป็นครั้งแรกมาร่วมกับทางพันธมิตรเนี่ยเพื่อที่จะมาช่วยให้เย็นดังที่เห็นแล้วเอาละอาตมาไม่เล่าแล้วเรื่องยาวที่มันเกิดมาแล้วทุกคนเห็นปรากฏการ์ขึ้นมาแล้วจนกระทั่งออมีแม่กระทั่งสมณนะออกมาช่วยนะตามที่จะเห็นควรว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไรกันบ้าง ก็นํามาจกนกระทั่งมีเอาธรรมะเข้ามาช่วยให้เย็นให้สงบให้ อ, อะไร อ, อะไรมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้มันมีเหตุการณ์ที่คนหวั่นใจระเกินวันที่ยี่หกกุมภาก็กลัวจะเกิดเรื่องปะทะกันมีเลือดตกยางออกวันที่ห้านัดไม่ห้ามีนาคมก็เดินขบวนเคลื่อนไหวกันอีกกลัวจะเกิดเลือดตกยางออกก็ไม่เกิดอีก ผ่านไปด้วยดีอีกโอ้โหงามจริงๆประชาธิปไตยเมืองไทยนี้ขาวเหล่านี้ภาพปรากฏเหล่านี้มันออกไปทั่วโลกนะนัดข่าวต่างประเทศก็ามาถ่ายก็ามารายงานออกไปทั่วโลกมันเป็นการประกาศประชาธิปไตยของไทยที่ยอดเยี่ยมสวยงามเหลือเกินสวยงามเหลือเกินอันตมาก็ยังหวังใจอยู่ว่า ถ้ามันผ่านไปถึงผลสำเร็จสุดยอดประเด็นทุกวันนี้นี่ประเด็นของปัญหานี่มันอยู่ตรงคนคนเดียว <c oughs> <c oughs> คือท่านนายกนี่เป็นกระแส ร, รวมไปหมดแล้วในหมู่กลุ่มท้งผู้วิจนักวิชาการทางครูบาอาจารย์ศิลปินผู้มีฐานะทางสังคมแม้กระทั่งราชนิกูล แม้กระทั่งชาวกลุ่มคนตาบอดชาวกลุ่มคนนักเรียนขาสั้นคอซองออกมายืนหยัดยืนยันเป็นหนึ่งเดียวกันหมดแล้วว่านายกรัฐมนตรีเสียสละบ้างเถอดลาออกเถอดจะเป็นอย่างไรก็เสียสละออกเถอดเพราะสังคมมันแยกไม่ไม่กลืนกันแล้วยังไงยังไงก็ไม่เข้าแล้วถ้านายกลาออกอย่างเดียวเท่านั้นแหละอัตมาว่าเรียบร้อย แต่นายกก็ยังไม่ยอมเสียสละเหตุการณ์ไม่นานนี่เองไม่กี่วันนายกกระฐนตรีของเกาหลีเขาผิดนิดเดียวอ่ะก็คงรู้ข่าวกันแล้วเขาก็ลาออกไปแล้วอัตมา ก, ก็ยังหวังใจว่าท่านนายกประธิมตีของไทยก็คงจะลาออกเพื่อให้เกิดความสงบนี้ปัญหามันแก้ไม่ได้แล้วถ้าจะพูดทั้งเรื่องของนายกเนี่ยตอนนี้นี่จะวิจใจไปใน คำถามใดก็แล้วแต่อาตมาว่ามันหมดคำตอบให้แก่คำถามใดๆแล้วในเรื่องของนายกขณะ น, นี้มันตอบกันมาหมดแล้วถ้าจะตอบกันไปอีกก็ซ้าซากแล้วสาธยายขุดคุยกระดอกมาแจกแจงกระดอกมาอา ต, ตมาบอ ก, บอกมั่นใจว่าคนที่เป็นกลาง คือไม่ลำเอียงด้วยฉันตาคติด้วยโทสาคติโมหคติพยาคติไม่มีความลำไอลำเอียงเพราะชอบเพราะชังเพราะหลงผิดหรือเพราะกลัวจะเข้าใจได้เลยถึงแม้ว่าจะไม่ลำเอียงอย่างบริสุธ์บริบูรณ์ก็ตามทำใจกลางๆเนี่ยจะเข้าใจได้ว่าอะไรคืออะไรนะเพราะนั้นมันควรจะต้องเข้าเลือกฝ่ายแล้ว ทำไมอัตมาว่าเลือกฝ่ายาศาสนาพุทธเป็นกลางให้เลือกฝ่ายเลยให้เลือกฝ่ายาศาสนาพุทธนี่เป็นาศาสนาที่ถ้าคนเป็นใจมีใจไม่อคติสี่แล้วจะต้องเลือกฝ่ายเพราะคนนั้นจะมีปัญญานอกจากคนไม่รู้ก็แล้วไปเถอะเขาเลือกฝ่ายไม่ถูกหรอกเพราะเขาโง่เขาไม่รู้ก็แล้วไปสิจะไปโทษกันได้ไงคนโง่ไม่ผิดคนโง่เลือกฝ่ายไม่เป็นก็ต้องยอมเขา แต่คนที่ฉลาดพอสมควรหรือคนที่มีภูมิปัญญาพอจะเก็บข้อมูลพอที่จะตัดสินเรื่องความจริงต่างๆได้มันเลือกฝ่ายได้มันต้องเลือกฝ่ายทำไมต้องเลือกฝ่ายเพราะมันต้องมาช่วยกันคนที่ฉลาดที่จะรู้ความจริงลึกซึ้งนี่มีฝ่ายน้อยดย้วยซ้านะคนที่ฉลาดที่จะรู้สั์จะทำลึกซึ้งนี่มีจานวนน้อยเพราะฉะนั้นคนที่ยิ่งรู้ว่าอันนี้นะมันถูกแล้วมันดีแล้ว แล้วยิ่งมัน ไ, ไม่เป็นพวกของฝ่ายที่ลึกซึ้งฝ่ายที่รู้ยากนี่มันยิ่งสู้ฝ่ายที่ไม่เข้าใจที่ถูกมองมองที่ถูกครอบงำถูกจ้างถูกวานถูกล่อถูกหลอกลอคนเหล่านั้นไม่ค่อยเข้าใจมวลทางโน้อนน่ะก็ต้องมากเพราะฉะนั้นมวลคนที่บริสุทธิ์ใจที่มีภูมิปัญญาต้องมาช่วยกันเข้าฝ่ายนี้แสดงตัวตนในน้ำหนักข้างนี้ ถ้าไม่เช่นนั้นไม่สงบหรือสงบหยุดได้ด้วยอํานาจผิดเข้ามาครอบองำอยู่อย่างเก่าสังคมก็ไปไม่รอดเพราะยังคงจะไปรอดก็ต้องให้ความถูกต้องให้ความดีงามนี่ช น, นะพูดง่ายๆพระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าในมงคลสามสบแปดหนึ่งจะต้องอยู่กับคนดีสองอย่าไปอยู่กับคนชั่ว นี่คือการเลือกฝ่ายพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกว่าต้องไปสมคบกบั บ, บ, บอยู่กับคนชั่วน่นคบกับคนชั่วคบกับพาลาลานังอย่ามาอยู่กับบัณฑิตตาอย่ามาอยู่กับคนพวกที่ผู้รู้นี่เลยท่านสอนอย่างนั้นเหรอท่านสอนว่าให้อยู่กับบัณฑิตอยู่กับคนฉลาดอยู่กับคนรู้อย่าไปอยู่กับคนโง่อย่าไปอยู่กับคนผิดคนพานใช่ไหมนี่คือเครื่องแสดงยืนยันว่า ศาสนาพุทธนั้นให้เลือกฝ่ายหรือในนานาสังวาสก็ให้เลือกฝ่ายที่อาตมาพูดผ่านไปแล้วหลักทฤษฎีนานาสังวาก็ให้เลือกฝ่ายถ้าฝ่ายไหนที่เราไปฟังแล้วว่าเป็นธรรมวาทีก็ให้อยู่ฝ่ายนั้นเอาฝ่ายนั้นเห็นว่าฝ่ายไหนเป็นอธรรมมาวทีก็อย่าไปเอา น, นี่ต้องเลือกฝ่ายเพราะงั้นคนที่เข้าใจผิดว่าคนเป็นกลางไม่เลือกฝ่าย มันตึงได้ผ อ, อืดผู้อมมันตึงได้ทรมานกันอยู่อย่างเงี้ยและดีไม่ดีก็ให้ฝ่ายที่ไม่ถูกต้องชนะสังคมก็แย่ไปต่อสังคมก็ลำบากระบนต่อไปผิดนะเพราะงั้นต้องเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าให้สําคัญและอีกข้อหนึ่งที่พุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้นอกจากจะเลือกฝ่ายแล้วเนี่ยวิจารณ์ว่าคนชั่วได้ยไหมได้ แต่ต้องมีศิละปะนะว่าคนชั่วนี่ต้องเป็นศิละปะผู้ที่สอนว่าต้องตําหนินิคันเฮนิคะฮารหังแปลว่าตำหนิตำหนิคนผิดตำหนิคนชั่วนี่คือให้พูดไม่ใช่ว่าเป็นใบเราเป็นกลางเราก็ไม่พูดไม่ตำหนิคนชั่วไม่ชมเชยคนดีประเดี๋ยวจะไม่ลำประเดี๋ยวจะไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นกลางอันนี้คือคนยังไม่รู้สัจธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ของพุทธเจ้าแล้วต้องตำหนิคนชั่วต้องยกย่องคนดี ปักคเนปักคาหาราหังนิคคเนนิคคาหาราหังต้องตำหนิคนชั่วนี่คือให้พูดแต่ต้องพูดอย่างมีสปอริสธรรมต้องพูดอย่างฉลาดเป็นปะยะวัชะปะยยาวัชะแปลว่าอะไรประยยาวัชะแปลว่ตาตําหนิต้องให้คนตานําหนิถูกตําหนินั้นดืงคําตําหนิได้นะ ต้องให้คนที่ถูกตําหนินั้นเขาดื่มคาตําหนิได้เปะยย ะ, ะ, ะ, ะวัชชวะะัชชะแปลว่าการตําหนิคําตําหนิส่วนเปยยะนี่แปลว่าของที่ควรดื่มต้องทําคําตําหนินั้นให้เป็นของที่ควรดื่มเปะยยวัชชผู้ใดตําหนิเขาแล้วเขาดื่มได้นั่นคือปิยะวาจาเป็นวาจาอันเป็นที่รัก าการที่จะเป็นทำปีญ่าวาจานี่แปลกันง่ายๆ่าไปชมเขาพูดแต่ดีๆพูดแต่ชมเขาในเป็นภาษาอันเป็นที่รักโทษใครมันก็พูดได้ไปชมเขาเลยเขารักแต่ตําหนิเขาให้เขารักนี่ต้องใช้ฝีมือต้องใช้ศิลปะต้องใช้ความรู้ความสามารถนะ <S <S เพราะงั้นสรุปแล้วคนเป็นกลางนี่ต้องตําหนิคนไหมตําหนิตําหนิคนแล้วก็ชมคนด้วยแต่าศาสนาพูทเป็นาศาสนาแห่งการตําหนิ พราะศาสนาพุทธมีบุคลิกต่างกับศาสนาอื่นตรงที่ว่าตํานิคนเป็นหลักนั่นคือทุกอริยสัจทุกอริยสัจก็คือทุกก็คือความไม่ดีความทุกข์เนี่ ย, ยความเสื่อมความไม่ดีความลําบากเหตุในความลําบากต้องพยายามบอกเหตุในความลําบากกันให้ได้บอกก่อนเพราะความไม่ดีเหตุในความไม่ดีอยู่ในตัวบุคคลนี่มันมี อยู่ในตัวเราวินาทีหนึ่งมันก็พาเราไม่ดีวินาทีหนึ่งมันอยู่ในตัวเราสองวินาทีห้าวินาทีหนึ่งชั่หนึ่งนาทีหนึ่งชัง่วโมงหนึ่งวันมันก็พาเราไม่ดีไปอยู่เท่าที่มันมีเวลามันอู่กับเราต้องรีบรู้มันเหมือนไฟถ้าเปลี่ยนเหมือนไฟไหมหัวไฟที่ไหมอยู่บนหัวต้องรีบเอาไฟออกก่อนส่วนเรื่องดีอยู่กับเราเหตุแห่งความดีอยู่กับเรานะั้นไม่ต้องไปกังวลมันหรอกมันจะอยู่กับเรานานเท่าไหร่ก็ไม่เสียเพราะมันดี ไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปหลงกำกำจัดเจ้าความไม่ดีหาเหตุแห่งความไม่ดีคือเหตุแห่งทุตสมุทัยนี้ให้ได้แล้วรีบกําจัดนี่เป็นเนื้อแท้คาแรคเตอร์หรือบุคลิกของศาสนาพุทธนี่คือบุคลิกของศาสนาพุทธจําไว้เพราะฉะนั้นศาสนาพุทธไม่เป็นศาสนาไม่มีเสน่ห์เท่าไหร่หรอกเพราะศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาช่างตําหนิเขาหาว่าศาสนาพุพทธคือศาสนาทุกขนิยม ก็ใช่เพราะมันเป็นความจำเป็นและเป็นสิ่งที่ประเสริฐถ้าเราสามารถล้างสิ่งที่เป็นเหตุแห่งความไม่ดีออกไปได้ได้ได้ไ ด, ไ ด, ได้ตัวเราก็ดีขึ้นสังคมก็ดีขึ้นทุกอย่างก็เรียบร้อยสงบสันติสิ่งที่ดีมันไม่มีปัญหาอย่าไปนั่งเอาแต่ป้อยอกันยกย่องกันได้แต่ชมเชยกันแต่ไม่พยายามมาศึกษาตัวเรามีไม่ดีอะไรเหตุแห่งความไม่ดีอะไรที่เรามี ต้องมาเรียนรู้แล้วก็ล้างให้เป็นโซดาบัณเป็นระดับต้นอัตมาทา่าทายได้พิสูจน์ได้ดไดอย่างที่อัตมาขาออภัยอีกครั้งหนึ่งที่ยกตัวอย่างชุมชนชาวโศกเราเช่นชุมชนดังกล่าวแล้วาราชธานีอโศกหรือว่าศีสะอโศกศีสะโศกก็เป็นหมู่บ้านตามทางมหัดไทยมีผู้ใหญ่บ้านมีอบอตอมีอะไรเหมือนกันเป็นหมู่ที่15ตําบลกระแชงใหญ่อําเภอกันทลักษณ์จังหวัดสีสเกต ทั้งหมู่บ้านไม่มีอบายยมุกทั้งหมู่บ้านมีศีลศีลต่ําที่สุดศีลหน้าคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์อะไรเนี่ยไม่มีน้ําเมาน้ำเมาไม่มีอบายยมุกจริงๆเป็นคนมีศีลแม้ศีลแปดก็มีเป็นคารวาสนะเป็นคารวาสซามันนี่นะเขากินเขาใช้กันในสัดส่วนของศีลแปดไม่ฟุงฟฟ้งเฟอ้อฟุ่มเฟือยแล้วกินเป็นมือ้อเป็นคราววิกาละโภชนาะดอกไม้ดอกไล่เครื่องประเทืองประเทืองแต่งเนื้อแต่งตัวโดวยกา ม, มารวมรูปรถกินเสียงสัมผัสน้อยไม่มาก เป็นศีลแปดแม้ศีลสิบก็มีในคารวาสนะไม่ใช่ไม่ใช่นักบวชนะแต่ปฏิบัติธรรมพระรูญเจ้าในหมู่บ้านเราเนี่คือทํางานฟรีไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองแล้วศีลสิบ น, นี่คือไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองไม่สะสมเงินทองเป็นของส่วนตัวแล้วเป็นอนาคาริกชนเป็นคนที่ไม่มีบ้านช่องเดือนชานไม่มีทรัพย์สริงคาดเป็นของตัวแล้วมีของส่วนกลางใช่กินของส่วนกลางเรียกว่าสาธารณโพคีทํางานทําการอะไรที่เป็น สิ่งที่ได้มาโดยทาเรียกว่าพระธรรมิกาก็เอามารวมไปของส่วนกลางแล้วก็กินใช้ร่วมกันเรียกว่าสาธารณะโภคีอันนี้เป็นหลักธรรมของพุทธเจ้าในสารานิยธรรมหกนะซึ่งเราทำสําเร็จแล้วเป็นหมู่บ้านระดับที่สาธารณะโภคีไม่มีอาชญากรอาชญากรรมหมู่บ้านแต่และหมู่บ้านแค่หมู่บ้านราชธานีมีอายุแค่สิปี่นะ ก็ไม่มีไม่มีอาชญากรรมอาชญากรรมทางกามอาชญากรรมทางทำรา้ายตีรันฟันแทงเลือดตกยางออกอะไรกันไม่เคยมีศรีสะอโศกเป็นหมู่บ้านมาตั้ง20กว่าเกือบ 30, 30ปีพอดีแล้ ว, ลวเพราะหมู่บ้านนั้นเกิดตั้งแต่พศหนึ่งเกปีนี้ก็สี30กปีแล้วศรีสะอโศกไม่เคยมีคดีไม่เคยมีคดี เขามีเหมือนกันเขาให้มีตำรวจหมู่บ้านตำรวจหมู่บ้านของเราก็ไปอบรมก็เข้ามาก็มาเป็นตำรวจหมู่บ้านก็ไม่ต้องมานั่งรับร้องทุกข์อะไรตำรวจหมู่บ้านเราเลยมีหน้าที่สำหรับไล่ควายพอควายเข้าหมู่บ้านก็เอาตำรวจอยู่ไหนมาไล่ควายให้หน่อยเพราะมันไม่มีคดีอาชญากรรมอะไรที่เขาจะต้องระมัดระวังอันนี้คือสังคมที่ปฏิบัติธรรมของพระเจ้าเป็นศรณะ ก็เลยเป็นรูปร่างอย่างนี้นะอัตมาก็มีเวลาก็เอามาเล่าสู่ฟังว่าสิ่งนี้เกิดแล้วไม่ใช่มีแค่สองหมู่บ้านนี้ชุมชนหมู่บ้านของชาวอโศกตอนนี้ที่มีพร้อมทั้งวัดบ้านโรงเรียนมีชุมชนมีคนผู้คนเป็นวงจรของสังคมการดาเนินชีวิตสามัญแบบอัตมาเรียกว่าแบบบุญนิยมคือไม่ใช่ทุนนิยมนะเป็นบุญนิยมก็ดาเนินชีวิตกันไปอยู่ทุกวันนี้นะ ก็คิดว่าถ้าเราพยายามที่จะถ้าเราถ้าเราพยายามที่จะปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าพิสูจน์ให้เป็นสมาทิสติและเอามาปฏิบัติจริงอาตมาแค่ทำงานมา30สปี30กว่าปียังไม่ถึง4ี่สดียังเกิดหมู่บ้านชุมชนเป็นหมู่บ้านแท้แท้ถ้าหมู่บ้านลักษณะนี้เาลองคิดดูสิ ถ้าในประเทศไทยหมู่บ้านประมาณเจ็ด0มื่หมู่บ้านในประเทศไทยนี่นะถ้ามีหมู่บ้านแบบราชธานีอโศกแบบศรีสาอศงนี่นะไม่มีอบายามุกเป็นหมู่บ้านที่เป็นคนมีศีลหมดเลยนะไม่กินเนื้อสัตว์เอาเถอะอ า, อาจจะยากไม่กินเนื้อสัตวนะ์ใช้เงินส่วนกลางใช้โภชนะโพนะอุปโภคบริโภคส่วนกลางนะ ถ้ามีในเมืองไทยนี่สักสองหมืนหมู่บ้านในเจ็ดหมื่นกว่าหมู่บ้านเนี่ยจะเป็นยังไงอาตมาว่าโอ้โหมันจะสบายนะนะประเทศไทยคงสงบสุขกันน่าดูเลยแต่มันก็ยากเหลือเกินโอ้โหกว่าจะอาตมาจะทํามันได้ขนาดนี้เนี่ยก็ไม่อยากพูดมากพูดมากนี่จะหาว่าอาตมาอวดตัวอวด ต, ววตวมาทวงมุลทวงคุณอะไรมันจะไม่เข้าเรื่อง แต่อตรตมาภูมิใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าโอ้โหแค่อาตมาคนเดียวนี่นะอาตมาหัวเดียวกระเทียมรีบจริงๆออกมาทำงานศาสนาเนี่ยมาทำงานโดยก็าหาว่าอตรตมาเป็นอะไระสารพัดที่เขาจะใส่ความถึงขั้นขึ้นหน้าปกหนังสือพิมพ์เลยนะเดรฉานโพธิรักว่าธรตมาที่ขนาดนั้นมีสนักพิมพ์ที่เขาทา ขึ้นเลยก็พิมพ์โจมตีอาตมาถึงขนาดนั้นเป็นหนังสือหลายข่าบออกมาขึ้นหน้าปกสีโอ้โหแป๊บเลยนะไดราชานโพธิรัก <c oughs> ตําหนีตีเตียอาตมาก็พยายามนะทำเนื้อทำตัวปฏิบัติไปอดออมไปพยายามพัฒนากันมาเพราะผู้ที่มีทุลีในดวงตาน้อยยังพอมีอยู่ ส่วนผู้มีไม่ใช่ทุลีในดวงตาหรอกมีภูเขาในดวงตาเขาแน่นอนมันก็ยังมีอยู่มันก็ไม่รู้ละท่านก็ไม่รู้ไม่เห็นพูดไปเท่าไหร่ท่านก็รับไม่ได้เข้าใจไม่ได้ก็เป็นธรรมดาธรรมาไม่ได้ประหลาดอะไรแต่ผู้ที่มีทุลีในดวงตาน้อยหรือสามารถที่จะฟังธรรมพระพุทธเจ้าเข้าใจสามารถเรียนรู้ได้เห็นจริงก็เลิกละออกมาเข้ามาร่วมกันปฏิบัติตนไปตามธรรมของพระพุทธเจ้า จนกรทั้งได้มรดกได้ผลของธรรมะของพุทธเจ้าก็สุขเย็นหลายผู้หลายคนทํางานอยู่ในโลกมีลาบมียศมีสรนเสริญอยู่แบบโลกโลกยกตัวอย่างอย่างคุณจําลองเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่รู้กันในสังคมดีอาตมาก็ไม่รู้จะยกใครที่เด่นกว่าคุณจําลองในประดาผู้ที่มาปฏิบัติธรรมในสายอโศกก็มีคุณจําลองสีเมืองนี่มาตั้งแต่พศ2225 22. ก็ปฏิบัติตนมาจนกระทั่งบัดนี้ก็เป็นผู้ได้มักได้ผลมามักน้อยสันโดษมาคนก็หมั่นไส้คนก็หาว่าสร้างภาพก็ไม่เป็นไรล้วถ้าเมืองไทยนี่นะถ้าสร้างภาพตามธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งประเทศร่วมกันสร้างภาพดีๆนะให้ได้นานๆด้วย 20, 30, บสปีมาเรื่อยๆห้าสิบปีไปเลยจนตายเลยเอา้านั่นละสร้างภาพไปจนตายในภาพดีๆเนี่ยนะมันไม่ดีหรือไงใช่ไหม สร้างภาพเป็นเรื่องชิ้นดีๆงามๆีมันจะสร้างภาพยังก็สร้างไปสิคนก็ชอบจะประชดประชันแดกดันก็ว่ากันไปแต่ถ้าเผื่อว่าเราสามารถทำได้จริงมันไม่ใช่สร้างภาพหรอกมันเป็นเช่นนั้นเองคือมันเป็นตักถักตามันเป็นเช่นนั้นในจิตในวิ ญ, ญญาณแล้วจิตวิ ญ, ญญาณเป็นอย่างนั้นอย่างนิจังทุวังสัตสตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอสังกุ ป, ปัง ขออภัยที่อาตมาต้องยกบาลีของพระพุทธเจ้ามายืนยันเพราะทางเทรสมาคมนั้นท่านว่าอาตมาว่าอาตมานอกรีดไม่เอาตามคำสอนพระพุทธเจ้าอาตมาจึงเจตนายกบาลียกพระไตรปิฎกเล่มนั้นขอน้อนี้ยกอ้างอิงเรื่อยจนหน้ามันไสหน้ารำคาญอาตมาเจตนาเพื่อจะให้ท่านไปตรวจสอบได้อาตมาไม่ได้พูดนอกรีต ที่อัตมายกบาลีมาเมื่อกี้นี้แปลว่าอะไรสรุปแล้วคือแปลว่ายืนยันมั่นคงนิจังก็แปลว่าเที่ยงแท้ทุกวันก็แปลว่ายืึดยั่งยืนนั่นแหละสัจตา ก, ก็แปลว่ามั่นคงหรือแปลว่าตลอดกาลอาวิปริณามาทำมังก็แปลว่ามันไม่เป็นอื่นอีกแล้วอสังหีรังก็แปลว่าไม่มีอะไรมาหักล้างได้อสังหีรังไม่มีอะไรมาหักล้างไอ้สิ่งที่เป็นแล้วเนี่ยเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ย เป็นอย่างนั้นโดยอัตโนมัติเรียกว่าเป็นเองเราไม่เป็นอย่างนั้นแล้วโดยอัตโนมัติเช่นว่าเราไม่ฆ่าสัตว์เป็นอัตโนมัติเราได้แล้วเป็นปกติแล้วเป็นศีลสมบูรณ์แล้วเป็นความปกติในตัวเราแล้วศีลก้อนหนึ่งเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าเป็นปกติรู้ตัวก็ตามไม่รู้ตัวก็ตามไม่ฆ่าไม่เผลอฆ่าไม่เจตนาฆ่าอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นเองโดยที่เราไม่ต้องไปฝืนเราไม่ต้องไปสังรวมเราไม่ต้องไปฝึกมันเป็นแล้วจบแล้ว อันนี้คือความหมายของตาตาแต่ทุกวันนี้ไปแปลตาตาเป็นยถาเป็นยถากรรมตามแต่ตามแต่มันจะเป็นมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหะซึ่งผิดแต่ตถตาไปเป็นวยถากรรมมันก็เป็นของมันเป็นอย่างนั้นแหละไม่ใช่อันนี้แปลว่าความจริงตัฏฐ์แปลว่าความจริงความจริงสัจธรรมนั้นเกิดแล้วในผู้นั้นบรรลุสมบูรณ์แล้วมันเป็นเช่นนั้นเองในตัวผู้นั้นแล้ว ไม่ลักทรัพย์ไม่อยากได้ของใครไม่ผิดพวกราเมียใครยาวว่าแต่ไม่ผิดพวกราเมียใครเลยไม่มีกามดับกาล์มสนิทเหนือธรรมชาติธรรมะของพระเจ้านี่เหนือธรรมชาติเพราะงั้นเราจะศึกษาแค่บอกว่าธรรมะคือธรรมชาติก็ถูกต้องในส่วนหนึ่งแต่ธรรมะของพระเจ้าเป็นโล ก, กุตระที่เหนือธรรมชาติอันนี้ก็พูดกันไม่ไม่ค่อยเข้าใจก็เข้าใจได้แต่แก้ว่าธรรมะคือธรรมชาติ ใช่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติธรรมะนะก็ธรรมะมันมีคำว่าธรรมแล้วก็มีคำว่าชาติอยู่แล้วแต่ถ้ามันยังเกิดกิเลสอยู่ยังเกิดยังวนเวียนยังไม่ศูนย์ยังไม่อนัตตายังไม่สุญญตายังไม่ดับสนิทหขอกธรรมชาติหมดธรรมชาติดับธรรมชาติไม่เกิดอีกนั่นคือธรรมะสุดยอดเลยกว่านิพพานนิพพานหรือนิโรธเพราะนั้นธรรมะของพระเจ้านั้นดับสนิทไม่เกิดอีกไม่มีชาติเป็นธรรมะสุญญตาเป็นธรรมะที่ดับสนิท นั่นคือกิเลสดับสนิทไม่เกิดอีกแล้วไม่เกิดอีกอย่างชนิดที่อัตมาพูดแล้วเมื่อกี้เนี่ยอย่างนิจังทุวังสัตสตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอสังกุปังอสังกุปังไม่ได้แปลเมื่อกี้แปลว่าอสังกุปังแปลว่าไม่กลับกําเริบแทนแปลภาษาเพราเพราะหมายความว่ามันไม่ตายไม่ฟื้นเหมือนนเถอะตายแล้วสนิทตายแล้วไม่มีฟื้นไม่กลับกําเริบอสังกุปัง เพราะนั้นได้แล้วได้เลยนี่ของพระพุทธเจ้ายืนยันเช่นนั้นมาพิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นผู้ใดแค่โสดาบันปิดอบายได้แล้วจริงถึงขั้นที่เป็นโสดาบันจึงมีจิตวิญญาณที่บรรลุธรรมของพุทธเจ้าแล้วได้แล้วไม่มีการกลับกรอกไม่ตกอบายอีกเขาจะมีสุขมีทุกข์มายั่วยุยั่วยอมามอมเมาอย่างไงอีกเฉยเหมือนคาสอนพระพุทธเจ้าเออพระพุทธทธาตุ ท่านพูดเอาไว้ว่าเหมือนนําก้อนน้ําแข็งกลางเตาหลอมเหล็กอย่างงั้นเลยไม่ละลายเป็นก้อนน้ําแข็งกลางเตาหลอมเหล็กโลกีหรือว่าอบายมุกมันจะมีอยู่ในโลกมันก็มีไปเราอยู่ในโลกที่เป็นอบายมุกนี้ก็เขาก็มองเมางกันไปเขาก็พยายามที่จะปลุกเราพยายามที่จะยั่วยุอะไรก็ว่ากันไปแต่ผู้ที่บรรลุแล้วเนี่ยมันเป็นกลางมันเตินจิตมันกลางแล้วมันไม่เกิดปฏิกิริยาแล้ว อบายบุกผ่านเข้ามาในจิตของผู้ที่บรรลุแล้วนี่ที่ได้ธรรมะของพุทธเจ้าแล้วเนี่ยมันกลายเป็นหมดฤทธิ์ไม่บวกไม่ลบไม่พลักไม่ดูดเฉยๆกลางๆสเตอร์นหรือเป็นนิวตรอนะนะมันมันไม่ไม่มีปฏิกิริยาอะไรอีกแล้วมันมันกลางอันนี้แหละเป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาของที่เป็นผู้บรรลุธรรมเพราะฉะนั้นผู้ที่ขั้นต้นปิดอบายได้แล้วเนี่ย ก็เป็นความเจริญระดับหนึ่งของมนุษย์อาตอมาพากันปฏิบัติธรรมให้ไล่เบื้องต้นทำกลางมั่นปลายมาตามลําดับนะี่เป็นโสดาบันหรือปิดอบายให้ได้มาก่อนก็ทํากันได้หลายครอบครัวพอเริ่มต้นปฏิบัติธรรมจนกระทั่งหมดอบายมุกกินเหล้าคอนเลิกเล่นไพ่ก่อนเลิกไปเที่ยวกลางคืนหรือเป็นสิ่งเสพติดหรือว่าเครื่องแต่งตัวของผู้หญิงนี่เป็นอบายมุกอย่างยิ่ง เพราะว่ามันแพงและมันหลอกมอมเมากันทั้งโคดสนางหลอกล่อกันเยแล้วมันก็หลง อ, อย่างผู้ชายกินเหล้าผัว ก, กินเหล้าเมาเมาไม่มีสติสตังเหมือนหมูเหมือนหมาอาเจียนอกอักผัวกินเหล้าน่าเกลียดเมียก็ไม่ค่อยชอบแต่ถ้าเมียแต่งตัวสวยๆแต่งหน้าแต่งตาแต่งเพชรแต่งทองแต่งอะไรที่รู้ๆระราฟูฟ้าแปงแพงเปลืองไม่น่าเกลียด โลกสนเสริญยกย่องผัวก็โอ้ยเมียเราสวยเมียเราคนยกย่องคนชมเชยคนช ม, น ช, มชอบมันเลยยิ่งหลงหนักเข้าไปใหญ่เลยอาบายามุขแบบนี้เนี่ยเปลืองแพงกับผู้ชายกินเหล้าทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหสร้างเข้ามามองเมากันนักสร้างสรรคนักออกแบบนักครีเอทีฟนักปฏิ ป, ร, ป ร, รอยออกมาเต็มโลกมองเมากันไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเรื่องผู้หญิง ยังจะพนนบายามุกในระดับหลงบริโภคนิยมหลงรูรานิยมหลงวิถานนิยมถึงขั้นวิถานขออภัยที่อตาตมาต้องใช้ศัตน์นี้แต่งตัวจนวิถานแล้วมันไม่วิถานยังไงคุณดูทีอตาตมาไม่พูดหรอกพูดแล้วมันลำบากปากผู้หญิงทุกวันนี้วิถานกันหนักหนาสาหัสแล้วยาว่าแต่แค่อนาจารเลย ว, ลวิถานเลยวเขาก็นิยมกันเพราะฉะนนถ้าไม่เรียนรู้อย่างนี้ว่าอบายามุก สังคมไปไม่รอดในประเทศไทยก็เอาอะไรตามเขามาเรื่อยเรืสังคมประเทศไทยหลงวิธานนิยมพวกนี้มากหนักหน้าขึ้นทุกวันกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มพวกที่เจาะเป้าพวงนายทุนเจาะเป้าที่จะริดเงินจากกระเป๋าวัยรุ่นนี่วิธานขึ้นโอ้โหมหาสาลทุกวันนี้มากมายถ้าผู้บริหารประเทศไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่ช่วยกันปิด ไม่ช่วยกันระ ง, งับไม่ช่วยกันกําจัดแต่กลับไปส่งเสริมอาตมาเหตุเชื่อแน่ว่าประเทศไปไม่รอดไปไม่รอดขอเยืนอยันเมืองไทยเป็นเมืองพุทธนะน่าจะเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าดังกล่าวนี้แล้วก็พากันมาช่วยกันเพราะงั้นผู้ที่เป็นผู้บริหารประเทศควรจะต้องมีราชทำสิบประการหรือทศพิราติธรรมนั่นแหละทศพิราติธรรมจะทําทไม่ใช่มีเฉพาะ พระเจ้าแผ่นดินเท่านั้นนะสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชผูพุทธิจักทัสนุก็แน่นอนก็ต้องพูดว่าของพระเจ้าแผ่นดินเพราะว่าผู้บริหารประเทศก็คือพระเจ้าแผ่นดินเพราะสมัยนู้นมันสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชแต่สมัยนี้มันไม่ใช่แล้วเพระเาะฉะนั้นผู้บริหารประเทศดั้นแหละคือราชธรรมจะต้องมีราชธรรม10ข้อมีทานมีศีลมีปฏิมีปริจาคะ มีอาชวะมีมัทวะอะไรพวกนี้นจะมาตั้งถึงวิโรธนะต้องมีาราชาธรรมสิทถ้าไม่มีไม่มีปัญญารู้ว่าอะไรคืออะไรผู้นั้นไม่มีมัททวะไม่มีความสุภาพไม่มีภาวะอันดีไม่มีสุภาวะ คือไม่มีภาวะอันดีก็คืออะไรก็หลงอบายมุกคนที่ยังจมอยู่ในอบายมุกยังหลงอบายมุกและยังไม่เข้าใจอบายมุกกลับส่งเสริมอบายมุกคนนั้นก็คือคนไม่รู้จักภาวะอันดีไม่รู้จักปรากฏการณ์อันดีไม่รู้จักสัจจะอันดีภาวะนี่คือสัจจะคือปรากฏการณ์คือสิ่งที่ปรากฏอยู่เพราะฉะนั้นในสังคมมีปรากฏอยู่เป็นอบายมุกแล้วก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดี ผู้บริหารก็ไม่ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดสุขภาวะขึ้นในสังคมทำให้เกิดภาวะที่ดีงามในสังคมไม่ได้นเนี่ยทำเลื่อยไปส่งเสริมหวยเอาหวยใต้ดินขึ้นมาบนดินตอนนี้บนดินแล้วเป็นยังไงอะ่ะโอโ้โหยิงหมอมเมากันหนักนพิมพ์เพิ่มสลากขึ้นมามีประเภทโอโ้โ เล่นโต๊ดกันประเภทที่เรียกว่าเท่าไร่ก็ไม่อ้นอะไรเงี้ยตายหมอมเมากันเต็มเสร็จแล้วก็ออกมาโอ้โหนี่จัดพอรตได้คนนี้โอ้โหรวยเล่ะอะไรมันก็ยิ่งยั่วยุให้คนมาต้องเสี่ยงทายก็อยู่ตรงเนี้ยส่งเสริมการพนันส่งเสริมข่าวฟุตบอลเตะฟุตบอลแข่งขันกีฬากีฬานี่เป็นอบายามุกเป็นของเล่นเล่นแต่ถ้าเอาของเล่นเล่นมาเป็นของจริงมาเป็นอาชีพ บ้านนั้นเมืองนั้นพังล่มสลายเพราะของเล่นไม่ใช่ของจริงจะเอาของจริงมาเป็นเอาของเล่นมาเป็นอาชีพผิดก็เล่นเล่นไปในฐานะที่ยังต้องมีอารมณ์เล่นเด็กเด็กเล่นผู้ยังเยาวเล่นผู้ที่ยังไม่มีวุฒิภาวะพอก็ต้องอยู่ในสิ่งที่เล่นแต่คนโตแล้วยังเป็นคนเล่นอยู่ไม่รู้จักสิ่งที่ควรจะเลิกจะละยังเล่นตุ๊กตาอยู่ยังเล่นหัวอะไรกันอยู่ นักคนไม่มีวุฒิภาวะไม่รู้จักอบายามุขเพราะฉะนั้นถ้าส่งเสริมอบายามุขมันก็จะเกิดผลในอย่างที่เป็นเนี่ยคุณจะห้ามไม่ให้มีการพนันบอลจ้างก็ไม่ได้นักข่าวข่าวก็เสนอกันอยู่ทุกไม่รู้ว่านัดไหนตอนนัดไหนอัตมาตไม่ได้ตามด้วยมากจนบเลยไม่รู้เท่าไหร่มันก็ต้องพนันกันพนันบนดินใต้ดินอะไรก็ตามอีกหน่อยก็ต้องมาพนันบอล บ, บนดินเหมือนหวยอะ่ะ ไปไม่รอดการพนันก็จะต้องมาสร้างขึ้นมาในประเทศนั้นแสดงว่าผู้บริหารไม่มีพลังพอไม่รู้นะอัตมาว่าถ้าเผื่อว่ามาช่วยกันมาทําให้ได้เมัอนอย่างขออาภัยเถอะพูดไปแล้วเหมือนจะอาตมาจะคุยตัวเองมาช่วยกันนําธรรมะของพระเจ้ามาให้สังคมเปิดเกิดแต่และกลุ่มแต่และกลุ่มให้เกิดมันอย่าง ชุมชนชาวโศกทั้งหลายแหล่เนี่ยหมดอบายมุกหมดไปหมดไปและก็รู้จักลําดับของกามรมากามาคุณลดกามรม ล, ลดกามาคุณที่มันโอ้โหจัดจ้านจน ก, กระทั่งอาชญากรรมทางด้านขมคืนฆ่าสัำซ้อน ก, กิกก๊กอะไรก็แล้วแต่พวกนี้เนี่ยมันเละไปหมดแล้วถ้าเผื่อว่าไม่สามารถที่จะมากําจัดหรือมาลดละพวกนี้มันก็จะไปสู่สิ่สงที่มัน พูดก็พูดแต่ขณะนี้เนี่ยทางตะวันตกเขาน่นกลับลำแล้วรักนวนสังวนตัวแล้วผู้หญิงจะต้องไม่มีเพศสัมพันธ์กันจนกว่าจะแต่งงานกันทางตะวันตกเขากลับลำแล้วแต่ทางประเทศไทยกำลังจะไปเอาขี้กระโลโทที่เขาเองเขาโยนทิ้งแล้วจะมารับวัฒนธรรมอันนี้เข้ามาแล้ว โอ้โ ห, โโหเหนื่อยใจจริงๆเลยอาตมาเหนื่อยใจจริงๆไม่รู้จะทํำยังไงแต่ก็ไม่รู้ก็ต้องทํางานเพราะเกิดเป็นคนก็ต้องทำงานเพราะอาตมาไม่มีปัญหาของเรื่องพวกนี้สําหรับส่วนตัวนะส่วนตัวส่วนครอบครัวอาตมาไม่มีปัญหาเรื่องนี้อาตมาอาจจะมีบุญนะญาติโกโยติกาพี่น้องในสายเลือดก็ไม่มีใครเป็นวุ่นวายในเรื่องนี้เลยนะไม่มีมันเป็นบุญนะเป็นบุญอย่างนึงเป็นบา ร, รมีที่มันมีมา แต่คนอื่นก็เห็นอยู่ก็ช่วยกันมานะเพราะฉะนั้นถ้าผู้บริหารในไม่เข้าใจในสิ่งใดที่หนึ่งถ้าผู้บริหารไม่มีอาชวะไม่มีความซื่อตรงไม่มีความซื่อสัตย์กันล่อนขิดโกงซับซ้อนทับซ้อนมีเล่มีเหลี่ยมไปไม่รอดหรอกประเทศนะไม่มีความซื่อตรงไม่มีอาชวะไม่มีมัททวะมารู้จากสภาพที่อาตมาอธิบายไปแล้วมัทวะ มัทวาและไม่มีตบะตบะก็คล้ายๆขันติแต่ว่าเป็นภาคปฏิบัติตบะนี้คือหลักเอามาปฏิบัติขัดเกลาตนให้แข็งแรงมาขัดเกลากิเลนนั่นเองท่านบอกว่าเป็นหลักอะไรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้ตนปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลนเรียกว่าตบะเมื่อปฏิบัติได้แล้วมันก็ทนได้หรืออดทนดีเรียกว่าขันติขันติก็เป็นข้อหนึ่งในราชธรรม เป็นขอ้อขันติไม่ใช่ธรรมพระนะขันติแปลว่าความอดทนธรรมพระแปลว่าความดื้อด้านเพราะฉะนั้นลักษณะดื้อด้านกับขันตินี่คล้ายกันเพรา ะ, ะนนคนที่มีลักษณะขันตินั้นต่างกันกับธรรมพระมีท่านผู้รูม้มาอธิบายถึงราชาธรรมแล้อธิบายว่านายยกรัฐมนตรีของเราท่านทักษิณเนี่ยมี ราชธรรมอยู่ข้อเดียวอ่ะข้อขันติว่า ง, งั้นอาตมาว่าผิดเรามัง้งไม่ใช่นะเพราะขันตินี่มันต่างกระทำพระนะทำพระนี่แปลว่าความดื้อด้านดื้อดึงมันคล้ายกันนะมันมีนัยยะที่คล้ายกันอยู่ใช่มสดอดทนนี่มันสบายสบายไม่มีเรื่องอะไรที่ร้อนใจเป็นการทนได้แล้ว สิ่งที่หนักหนาสาหัสอะไรก็ทนได้ขันติมันเป็นอย่างนั้นแต่ในระบบดัะ บ, บฝึกอยู่นี่ก็คือมรักพอเป็นผลของขันติแล้วก็คือทนได้โดยไม่ยากทนได้โดยไม่ลำบากมันไม่มีความเดือดร้อนอะไรเลยอดไม่ต้องอดไม่ต้องทนหรอกแต่คนอื่นเห็นแล้วว่าโอ้โหคนนี้อดทนเก่งจังเลยทํำไมอดได้ทนได้เนาะแต่ความจริงท่านไม่อดไม่ต้องทนแล้วเพราะท่านผ่านมรักมาแล้วมาสู่ผลแล้ว าการปฏิบัติทางปฏิบัติมาแล้วจนได้รับมะเราได้รับผลมาแล้วผลเต็มสมบูรณ์ก็ไม่ได้อดทนอะไรแต่มีขันติแล้วอย่างงี้เป็นต้นซึ่งธรรมะนี้ต้องเข้าใจดีๆนะรั้ น, ะนเพราะว่าผู้บริหารไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็ไปไม่รอดอาตมาก็ขอขอตัดมาอธิบายถึงเรื่องความเป็นกลางนิดนึง เพื่อที่จะทําความเข้าใจกับพุทธศาสนิกชนกันทั้ ง, ท, งทั้งหมดให้เข้าใจว่าเรื่องของความเป็นกลางนั้นบอกแล้วว่าพระพุทธเจ้าท่านตัดความเป็นกลางไว้หลักทำสําคัญที่จะชี้ ค, ความเป็นกลางของบุคคลก็คือผู้นั้นหมดความลำเอียงนั่นก็คือไม่เอียงไปข้างไหนหมดสันทากติโทสาคติโมหาคติพยาคติ ไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลําเอียงเพราะชังไม่ลําเอียงเพราะโงะ่ไม่ลําเอียงเพราะกลัวพระยาคตินั่นคือคนเป็นกลางและต้องเลือกฝ่ายไหมเลือกเพราะท่านไม่กลัวเพราะท่านมีปัญญาท่านรู้แล้วว่าฝ่ายไหนถูกฝ่ายไหนดีควรช่วยฝ่ายไหนเราก็ใช้ปัญญาของเร า, าฝ่ายนี้เป็นธรรมวาทีเราต้องอยู่ฝ่ายที่เป็นธรรมวาทีเพื่อช่วยช่วยกัน เมื่อน้ำหนักของฝ่ายที่ถูกต้องฝ่ายที่ดีงามมีน้ำหนักพอก็เป็นความชนะและฝ่ายถูกฝ่ายดีก็ควรชนะในสังคมใช่ไหมฝ่ายถูกฝ่ายดีก็ควรชนะในสังคมถ้าไม่ฉช่นนั้นมันก็ไปไม่รอดสังคมไปไม่รอดเพราะในขณะนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์นานาสังว่าเกิดแบ่งฝ่ายกันอย่างนี้แล้วก็ขอ เตือนสติท่านผู้รู้ท่านผู้ยังมีพยาคติเอาละผู้ที่มีโมหะคติผู้ที่โง่ที่หลงผิดหลงผิดไปแล้วเขาไปยึดผิดแล้วเขาก็ไม่เข้าใจไม่ยอมเข้าใจอีกด้านหนึ่งเลยก็ต้องยกยกไว้จบผู้นั้นยึดฝ่ายนั้นแล้วแน่นอนไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็แล้วไปแต่ผู้ที่จะมีปัญญานะก็เลิกเถอะรักชอบอะไรก็เพราะรักก็เหตุผลอะไรก็ พยายามพิจารณาตนเองถ้าเหตุผลมันไม่พอกันแล้วว่าเราควรอย่าไปเอารักเพราะเขาให้ลาบเรารักเพราะเขาให้ยศเรารักเพราะเขาให้สันเสริญเรารักเพราะเขาบำเรอกามเรารักเพราะเขาเอาแต่ใจเขาเอ า, เอาตามใจเราซึ่งเป็นความรักของโลกกรรทำรักเพราะอามิต h รักเพราะสิ่งล่อเรานั้นรักเพราะมีอามิต h ลอดไ อ, อย้ยางนั้นไม่เก่ง ไม่ประเสริฐเพราะฉะนั้นคนใดที่ยังติดอยู่ฝ่ายใดก็พิจารณาเรื่องว่าเอ๊ะนี่เราตกเป็นข้างฝ่ายเขานี่เพราะายังหวงลาบที่เขาให้เศษเนื้อข้างเขียงหรือก็ให้ก้อนเบโรอเราเลยไปไม่รอดเพราะเขาให้ลาบเราเยอะเขาให้ยศตําแหน่งอํานาจเราเยอะเขาให้สังเสริญยินยอเขาเยอะเราเยอะหรือเขาให้กรรม ก็ให้สิ่งที่ตามใจเราเราอยากได้อะไรเป็นอัตเตเป็นเสริมอัตตาบำเรออัตตาเราบำเรอการมบำเรออัตตาซึ่งมันก็มีสองข้างการมสุขาริกะกับอัตติเรมาตตาคนที่ยังเอียงอยู่ฝั่งข้างฝ่ายกามมันก็ยังอยู่ฝ่ายกรรมหรือคนยังเอียงข้างฝ่ายอัตตาบำเรออัตตาแล้วก็ลำบาระบนไม่หมดอัตตาอัตตาทั้งหลายแหละที่ตัวเองไม่ได้ศึกษา มันก็มีอัตตาบาเพืออัตตาจนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโอราดิกอัตตามโนมยอัตตาหรืออรูปอัตตาซึ่งมีอัตตาอยู่สาในปุตตะตรัสเอาไว้ในปัจพีนกเล่มเก้านะไปเปิดดูมีอยู่หลายส่วนเรื่องอัตตาปัจพีนกเล่มเก้าหรือสุตตันตปิณกเล่มหนึ่งก็สมอัตตานี่ท่านั้นแหละหมดอัตตก็จบเป็นพระอรหันต์หมดอัตตาทุกอย่างก็เป็นพระอรหันต์ มันคนใดไม่รู้แม้แต่กระทั่งโอราทิกาอัตตาเงินของกูแผ่นดินของกูทรัพย์สรินคารของกูยศศักดิ์ของกูเมียกูลูกกูล้านกูอะไรมันยึดเป็นตัวกูของกูเนี่ยขอใช้ภาษาตามที่พระพุทธทาท่านบัญญัติพูดแล้วมันถึงดีเข้าใจได้ง่ายยึดยังโอราทิกาอัตตาเนี่ยยังยึดในสมบัติวัตถุเป็น เป็นมหาภูตรูปหรือว่าเป็นแม้แต่กระตั่งตัวตนบุคคลที่มีอวัยวะน้อยใหญ่ไม่บกพร่องอะไรก็ตามพัานตัดไม่ชัดในประเด็นโรื่งเลนะ่มเก้ามันยังยึดถือแต่แม้แท่แก่อัตตาหยาบโอลาทิกออัตตามันก็ไปไม่รอดเพราะไม่ศึกษาทำอภพุจจธธาไม่หมดอัตตามนโนมยัตัอัตาก็ไปปั้นรูปปันร่างปันแสงสว่างปันโลกทิพย์ ปั่นวิมานปั่นพุทธเกษตรปั่นพระพุทธเจ้าอยู่ในวิมานไหนๆก็ไม่รู้ปั่นอะไระไรแล้วก็พิธียื้ออย่างนั้นในละมโนโมยอัตตาแม้แต่ปั่นมาเป็นตัวตนเห็นเป็นรูปเป็นร่างเนี่หลอกตัวเองทางฝ่ายแพทย์เขาบอกว่ า, วาตาหลอนภาพหลอนหรือเสียงหลอนพวกนี้มโนโมยอัตตาแต่ใครไม่ไปติดอัตตาพวกนี้มันก็ไม่มีปัญหามากส่วนอรูปอัตตาหนาหนึนก เชื่อมันในความเห็นของข้าปัญญาของข้าความรู้ของข้าซึ่งเป็นนามธรรมหมดแล้วศักดิ์ศรีของข้าไม่รู้มันอยู่ไหนไ่เลยเป็นนา ม, มาธรรมเอาแต่ใจข้าอรูปรอัตตาสิ่งเหล่านี้พุทธเจ้าสอนไปหมดแล้วก็ให้มันเลิก ล, ลดดับอัตตาหมดอัตตาก็จะรู้ต้องมีวิชาแปะประการซึ่งเป็นวิชาสุดยอดมีพฤติกรรมสุดยอดเรียกว่าจรณนะ วิชาจรณะสัมปันโนมีจรณะก็คือความประพฤติเป็นคนประพฤติที่มีศีลเป็นคนประพฤติที่มีโภชนเมนมตัยุตตาเป็นคนประพฤติที่มีการสำรวมอินทรีย์หเป็นคนที่มีความรู้ในโลกเป็นผู้ตื่นแล้วผู้รู้แล้วตื่นแล้วเบิกบานแล้วเป็นพุทธเป็นชาคริยาเป็นชาคริยะบุคคลเป็นบุคคลที่ตื่นแล้วจากโลกี ไม่เป็นธาตุโลกีอีกแล้วเป็นโลกุตระบุคคลอย่างนี้เป็นต้นแม้ความมีความประพฤติ15้าจรณักสิ้าอย่างยืนยันพิสูจน์ได้มีวิชาแปประการมีวิปัสนาญาณมีมโนมยิทธิมีอิทธิวิธีอะไรจกระตั้งถึงอาสวัคยญาณอาตมาไม่มีเวลาจะไล่ภาษาธรรมะตรงนี้แล้วสำหรับวันนี้นะสิ่งเหล่านี้ที่อาตมาได้สาธยายมาพอสมควร ก็เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่อากาลิโกไม่จำกัดยุคไหนถ้าใครสมาธิและปฏิบัติจริงย่อมได้มักได้ผลแม้เป็นอรหรันนี่เป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นอาตมาทำงานมา20 30ปีก็มีคนที่หลุดพ้นอบายามุกเป็นโสดาบันเป็นสกิทาคามีเป็นอนาคามีมาได้ก็มีความรู้ในเรื่องอรหันตผลอรหรัน แต่ก็ไม่อยากจะพูดเราว่ามีอรหันต์ประเดี๋ยวขนาดอาตมาพูดอย่างนี้ก็ยังอุตส่าห์มาหาเรื่องอาตมามากมายหาว่าอาตมาในปราชิกมัง่งออกนอกดิศาสนามัง่งอะไรงนี้ซึ่งความเข้าใจพวกนี้มันต่างกันจริงๆมันนานาสังวาสจริงๆก็ไม่เป็นไรท่านเข้าใจของท่านท่านก็ทําทไปเถอะท่านมีท่านเถราสมาคมในพูดขออภัยมีพระมีเจ้าอยู่ตั้งสองแสนสามแสนรูป น่าจะช่วยพลเมืองในประเทศหกิบกว่าล้านนี่ได้ดีได้เข้าใจธรรมะหมดอบายมกุกเป็นโสดาเป็นเป็นสกิทาขามีไม่ต้องมาแย่งชิงไม่ต้องมานั่งล้มล้างอะไรกันอยู่อย่างเงี้ยพราลูกศิษย์ลูกค้าก็เป็นใหญ่เป็นโตกันเยอะบริหารบ้านเมืองอยู่ก็เยอะก็ไม่น่าจะต้องมาแสดงความแย่งชิงอะไรที่เราชาวาโสมาที่นี่ไม่ได้มาแย่งลาบยศสังเสริญกับที่เขาแข่งแย่งกันนะ่ะเพราะพวกเราสั่งโดดแหละ พอเราพอแล้วพอกินพอใช้เหลือนี่ก็มาที่นี่ก็มาแจ ก, กมาจ่ายไม่ได้มาเบียดเบียนอะไรพอเรามีสันโดษหรือพอเพียงมันพอกินเท่านี้ใช้เท่านี้เสื้อผ้าน้าแพ้อาหารการกินเครื่องใช้ไม้สอยเครื่องประดับประดารู่ราฟู่ฟ้าเราก็ไม่ได้หลงไหลอะไรมากมายแล้วซึ่งพิสูจนได้จะบอกว่าสร้างภาพจะบอกว่าอดทนเอาก็ได้แต่อดทนไปได้กี่ปี ที่นั่งนั่งอยู่นี่อดทนกันมาคนละกี่ปีแล้วใครสิปียกมือขึ้นใครยี่สิปียกมือขึ้นเขาก็ทนกันไม่ได้ตั้ง่20แล้วมันทนหนักแล้วมันจะตายเมื่อไหร่ทนกันนี้จะจะระเบิดหรือยังเขาก็ไม่ระเบิดอะไรถ้าสิ่งที่มันล้าได้แล้วมันไม่กดมันไม่กดไม่ขมไม่อดไม่ทนอะไรหรอกมันสบายสบายมันว่างๆเบาๆลงๆโปร่ปงสบายไม่หนักไม่หนาเบา เป็นวูปัสมโม ส, สุขสุขอย่างสงบสุขอย่างเบาว่างสุขอย่างง่ายไม่ต้องไปมีมากไม่ต้องไปแข่งเขาเขาจะมากไม่เด่นถือว่าเป็นความด้อยเราไม่เสื้อผ้าหนาวแพรไม่สวยเราก็ไม่ถือว่าเป็นความด้อยเสื้อเป็นสิ่งที่กัน ร, ร้อนกันหนาวกาาันแมลงสัต ก, กัดต่อยกันอุจารเท่านั้นอะไรนี้เป็นต้นแล้วก็พอใช้อะไรนี้เป็นต้นเอาละอาตมาเทศมาเขาให้เวลาอาตมาถึงสิบโมงสามสิบ ขณะนี้ก็ได้เวลา 10.30 แล้วอัตามาก็ขอเอวังแต่เพียงตัวนี้